มีใครอยากจะถามอะไรไ้ยมอันนี้ปีใหม่วันที่สามของปีใหม่ถ้าเราอยากจะให้ปีใหม่ดีกว่าปีเก่าเราก็ต้องทำที่เหตุเหตุนั่นเป็นตัวที่จะทำให้ผลดีลหรือไม่ดีถ้าเราอยากจะให้ปีนี้ดีกว่าปีที่แล้ว เราก็ต้องมาทําเหตุให้มันมากกว่าปีที่แล้ว เ, เช่นถ้าปีที่แล้วเรารักษาศีลได้เพียงแต่เฉพาะวันพระอย่างเงี้ยเราอยากจะให้ความทุกข์น้อยลงเราก็ต้องรักษาศีลให้มากขึ้นเพราะการทําบาปทำให้เราไม่สบายใจทำให้เราทุกข์ใจ ถ้าเราลดการทำบาปลงได้ความสบายใจก็จะมีมากขึ้นความทุกข์ความไม่สบายใจก็จะมีน้อยลงถ้าเราอยากจะมีความสุขใจเราก็ต้องทำบุญให้มากขึ้นเออเคยทำบุญอาทิตย์ละหนึ่งครั้งก็ลองทำเพิ่มเป็นสองครั้งสามครั้งใส่บาตรใส่บาตรก็ได้ ถ้ามีพระผ่านมาทางบ้านก็ใส่บาตรถ้าไม่มีเอาเงินใส่ในกระปุกก่อนก็ได้หากระปุกหาอะไรเอาเงินที่เราจะใส่บาตรใส่ไปลองทำดจูจะได้ทำทุกวันความสุขเนี่ยเกิดจากการให้จากการเสียสละ การทำทานเวลาเราทำบุญทำทานแล้วเราจะมีความสุขเราไม่ควรรอเฉพาะทำแต่วันที่เรามาวัดหรือวันสำคัญเช่นวันเกิดวันปีใหม่วันมาฆะวันวิสาขะกว อ, อนจะทำทุกวันปริมาณนี้แล้วแต่กำลังที่เราจะทำได้บาทเดียวก็ได้ถ้าไม่มี จะทำมากกว่าบาทหนึ่งก็ทำมาลบาทก็ได้ถ้าทำสองบาทได้ก็ทำสองบาทบา ท, ทำสามบาทได้ก็ทำสามบาทมันเป็นเหมือนเหมือนอาหารการทำบุญนี้เหมือนกับเป็นอาหารของใจเราเราต้องกินอาหารให้ร่างกายทุกวันร่างกายถึงไม่เดือดร้อนร่างกายเรามีอาหารกิน พอหิวก็มีอาหารให้กินแต่ใจนี้เวลาหิวกับไม่มีอาหารกับมียาเสพติดให้กินเวลาใจหิวหิวใจไปกินอะไรไปกินรูปเสียงกลิ่นรสกันไปเปิดทีวีดูไปเปิดเพลงฟังกันมันก็อิ่มเดี๋ยวเดียวเป็นยาเสพติดเวลาได้ดูได้ฟังก็ มีความสุขแล้วพอหยุดดูหยุดฟังความสุขนั้นก็หายไปความหิวก็กลับมาใหม่ความอยากดูอยากฟังก็กลับมาใหม่เดวแทนที่จะเอาเอาเงินไปซื้อยาเสพติดควรจะเอาเงินไปซื้ออาหารอาหารของใจก็คือบุญทำบุญแล้วมีความอิ่มใจสุขใจสบายใจ เราต้องพยายามเลิกซื้ อ, อยาเสพติดมาให้กับใจยาเสพติดของใจก็คือรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆที่เราเสพกันเสพทางตาหูจมูกนิ้นกายเดี๋ยวก็อยากดูเดี๋ยวก็อยากฟังเดี๋ยวก็อยากลิ้มรสเดี๋ยวก็อยากจะดมกลิ่นอยากไปทั้งวัน เวลาไม่มีอะไรให้ลิ้มน ốt ไม่เวลาไม่มีอะไรให้ดูก็รู้สึกหงุดหงิดลำคาญใจเหมือนคนติดเบอร์เลยเวลาดูละครถ้าวันไหนไม่ได้ดูละครขึ้นมาก็หงุดหงิดเวลาไปเที่ยวกั น, ว, น, น, ว, กนวันไหนได้เที่ยวก็สนุกเวันไหนไม่ได้เที่ยวก็ซึมเศร้าเบื่อนาย มันลักษณะของคนติดยาเสพติดเหมือนกันติดสุราติดบุหรี่ติดยาเสพติดนะเวลาได้เสพก็เหมือนได้ขึ้นสวรรค์พอเวลาไม่ได้เสพนี่ยโอ้จะตายให้ได้มือไม้สัน่นใจสัน่หนหดหดลำคานใจคน คนติดยาเสพติดนี่มักจะไม่ค่อยกินอาหารเอาเงินไปซื้อยาเสพติดร่างกายของคนเสพยานี่มักจะผอมไม่อ้วนไม่ค่อยอยากกินอาหารอยากเสพยามากกว่าคนที่ติดยาเสพติดทางทางร่างกายก็เหมือนกันคนที่ติดยาเสพติดของใจร่างกายมักจะอ้วน แต่ใจมักจะผอมใจจะหิวโซเซแต่ร่างกายนี้กินเอากินเอาเวลาอยากลิมรสลมกลิ่นก็กินกินข้าวร่างกายบอกมันพอแล้วมันไม่อยากกินอมันน้ําหนักเกินแล้วแต่ใจมันอยากกินอยากกินรูปเสียงกลิ่นรสอยากก็กินเอากินเอา ร่างกายก็ร่วนอ้วนเอาใจก็พ้อมเอา้อมเอาเพราะป้อนอาหารให้ผิดคนคนหิวคือใจคนไม่หิวคือร่างกายเวลาคนหิวเวลาใจหิวกับเอาอาหารของร่างกายให้ร่างกายร่างกายมันก็เลยอ้วนกันแล้วใจก็ยังหิวอยู่นะกินก็นอ้วนก็ยังอยากกินอยู่นะ เพราะป้อนให้ผิดผิดคนถ้าเอาเงินที่ไปซื้อของกินที่ไม่จำเป็นจะต้องกินเอาไปทำบุญเนี่ยใจจะอิ่มใจจะมีความสุขแล้วร่างกายก็จะไม่อ้วนเพราะเราจะกินเวลาที่ร่างกายหิวนะร่างกายหิวก็ตามเวลามื้อเช้าเที่ยงกลางวันแต่ระหว่างมื้อนี่ไม่ใช่ร่างกายหิว ใจหิวชอบกินขนมมีอะไรกินอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวก็เดิมเดี๋ยวก็กินอย่างนี้ยพรา ะ, ะไม่ได้ทำบุญไงไม่ค่อยได้ทำบุญเท่าไหร่ใจเลยหิวนอกจากหิวทางร่างกายอาหารแล้วยังหิวทางตาหูจมูกเนี่ยข้าวของเต็มบ้านเนี่ยก็เพราะความหิวของใจซื้อมาเต็มบ้าน กระเป๋ากระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้าล้นตู้<ม>จะไม่มีตู้จะใส่บางคนเอาห้องห้องนอนห้องทำห้องเป็นห้องเก็บเสื้อผ้าเลย<ม>ตู้เสื้อผ้าตัวนี้มันแนบก่อนไปแล้วเสื้อผ้ามันเยอะก็ทำห้องเนี่ยเป็นเป็นตู้เสื้อผ้ามีทั้งเสื้อผ้ามีทั้งรองเท้ามีทั้งกระเป๋า แต่บงมดแล้วร่างกายมันก็มีแค่ร่างเดียวนะเนลวลาใส่เสื้อผ้ามันก็ใส่ได้ชุดเดียวรนะองเท้าก็คู่เดียวนะกระเป๋าก็ใบเดียวนะแล้วทำไมต้องมีเสื้อผ้าเป็นร้อยชุดรองเท้าเป็นร้อยคู่นะ<ม>ความหิวของใจเนะพราะไม่ค่อยได้ทําบุญทําบุญน้อยถ้าทําบุญแล้วจะไม่หิว เ้าจะมีความสุขความสุขจากการไปซื้อข้าวซื้อของมันสุขเดียวเดียวสุขตอนที่ได้ซื้อมาพอซื้อมาถึงบ้านแล้วบางทียังไม่มีเวลาไปแกะมันเลยตั้งทิ้งไว้อย่างนั้นเพราะเดี๋ยวจะออกไปซื้อใหม่นะออกไปเที่ยวออกไปอยู่บ้านไม่ได้อยู่บ้านแล้วเบื่ อ, อผิวลูกเสียงกินรถอยู่บ้านมันไม่มีลูกเสียงให้ดู มีแต่ของเก่าดูแล้วจำเจซ้ำซากเบื่อนายต้องไปหารูปเสียงกลิ่นรสแปลกๆใหม่ๆให้ดูอยู่เรื่อยๆจึงต้องออกจากบ้านไปเรื่อยๆออกจากบ้านไปก็ไปตามที่เขามีของให้ดูไปตามศูนย์การค้าไปลงภาพภาพยนต์ไปร้านอาหารมันก็ไปอยู่แถวนี้ไปเสบรูปเสียงกลิ่นรสในรูปแบบต่างๆ นี่ยพอไม่ได้ทำบุญนะเวลาหิวก็ไปซื้อยาเสพติดมาเสพนะพอเสพเสพเสร็จก็อยากต้องไปซื้อใหม่ละของของที่ได้มามันไม่มีความหมายละกระเป๋าที่ซื้อมาเสื้อผ้าที่ซื้อมามันหมดหมดความปิสสวานนะต้องไปดูตามร้านใหม่ถ้าของอยู่ในร้านนีม่มันเกิดความปิสสวานขึ้นมานะ ไม่เช่นั้นก็ไปซื้อเครื่องประดับกันนาฬิกาไม่รู้กี่เรือนใช่ไหมเนี่ยอันนี้มีข่าวใหญ่ทางคนบางคนมีนาฬิกาเป็นสิบเรือนมันจะบอกเวลาต่างกันยังไงมันก็ต้องบอกเวลาเดียวกันน่ะนาฬิกาห้าแสนนาฬิกาล้านหนึ่งกับนาฬิกาห้าสิบาทมันก็บอกหนึ <laughs> มันก็บอกเวลาเดียวกันนั่นะ ทำไมต้องไปใสนาฬิกาเป็นเรือนละแสนทำให้มันหนักข้อมือกว่าเราเราเนี่ยชอบดูใช้นาฬิกาของคนอื่นไม่ค่อยชอบใช้ของเราไปไหนอยากจะดูนาฬิกาก็ไปดูตามร้านตอนนี้กี่โมงตามร้านขายของก็มี น, มนาฬิกาติดอยู่สบายไม่ต้องมาคอยใสไม่เคยใสข้อมือนาฬิกาข้อมืออยากจะดูนาฬิกาบางทีก็ดูตะวันนะ กะเอาประมาณเนอะก็ได้ดูเงาเถ้าเงามันตรงกับสีสระก็แสดงว่ามันเที่ยงวันใช่ไหมถ้าว่าเงามันออกมาหน่อยก็รู้ว่าเอาบ่ายโมงบ่ายสองสมัยโบราณก็ไม่มีนาฬิกาเขาก็อยู่กันได้นะใช่ไหมไม่ต้องมาทุ่มเงินทองซื้อนาฬิกาเป็นเดือนละแสนเดือนลล้านนาฬิกาฟรีๆมีอยู่เนี่ยพระอาทิตย์เนี่ย เงาเนี่ยดูเงาต้นไม้เนี่ยมันก็จะบอกเวลาให้เรารู้แะตอนนี้เวลาประมาณเท่าไหร่ของฟรีไม่ชอบใช้กันชอบใช้ของเสียเงินแล้วก็ต้องมาคอยดูแลรักษาอกคอยเก็บคอยราคาแพงๆเกิดหายไปเดี๋ยวก็เสียใจเนี่ยนี่เกไม่รู้จักวิธี สร้างความสุขให้กับใจชอสร้างความทุกข์ให้กับใจพอไม่รู้ว่าต้นเหตุของตัวที่มาสร้างความทุกข์ให้กับใจคือความอยากนี่ความอยากได้นูน่นอยากได้นี่อยากมีนั่นอยากมีนี่คิดว่าได้แล้วจะมีความสุขแต่สุขเดียวเดียวพอได้มาแล้วก็สิ่งที่ได้มาก็ไม่มีความหมายอะไรแล้ว อยากจะได้สิ่งใหม่สิ่งที่ได้มากลายเป็นสิ่งที่จะต้องมาคอยกังวลนะเพืได้อะไรมาก็ต้องหวงต้องหวงเดี๋ยวเกิดถ้ามันเสียมันหายไปก็เสียใจถ้าไม่มีก็ไม่ต้องเสียใจไม่ต้องหวงไม่ต้องห่วงเดี๋ยถ้าไม่มีราฬิกาก็สบายไม่ต้องมาห่วงนาฬิกา เราไม่รู้ความสุขอยู่ที่การมีไม่มีอะไรหนระือเปลมีแล้วมันทุกข์มีแล้วต้องหวงต้องห่วงต้องเสียใจต้องเสียดายถ้าไม่มีก็ไม่มีอะไรต้องหวงใช่ไหมไม่มีอะไรต้องห่วงอไม่มีอะไรต้องเสียดายเสียใจอมีอะไรเดี๋ยวก็ต้องจากเราไปของต่างๆที่เรามีอยู่นี้มันไม่ได้จะอยู่กับเราไปตลอด มันต้องมีวันจากกันไม่จากเป็นก็จากตายไม่จากตอนเป็นก็จากตอนตายเรามาตัวเปล่าๆแล้วเราก็จะไปตัวเปล่าๆ เ, เอาอะไรไปไม่ได้เลยเนี่ยข้าวของเงินทองทรัพย์สมบัติที่หากันมาแย่งกันมาตีกันด่ากันเพื่อที่จะได้ข้าวของเหล่า น, นี้มาเดี๋ยวตายไปไม่มีคราไปสักชิ้นนะทิ้งไม ในเวลาอยู่นี่โหจะฆ่ากันให้ได้แข่งแย่งชิงดีกันแล้วมันมีความสุขที่ไหนการแข่งแย่งชิงดีสู้การอยู่เฉยๆไม่ได้บอกให้คนหนึ่งเขาแย่งกันไปชิงกันไปเรานั่งดูของเราสบายเดี๋ยวตายไปก็ไม่มีใครออกไปได้แย่งกันแทบเป็นแทบตายขึ้นโรงขึ้นศาล อย่างพี่น้องอยู่ครอบครัวเดียวกันพ่อพ่อแม่ตายกลายเป็นศัตรูกันแล้วแ<ม>ย่งสมบัติกันแล้วแย่งมรดกกัน<ม>ขึ้นลงขึ้นศาลฟ้องร้องกันหาว่ามรดกมรดกปลอมอะไรพี่นายกรรมปลอมขึ้นลงศาล มันจะยากอะไรก็หารมีพี่น้องกี่กันก็หารไปเลยสองคนก็หารสองไปสี่คนก็หารสี่ไปของได้มาปีีจะไปอะไรกันนะของพ่อของแม่ให้มาก็แบ่งกันไปก็ท่านั้นเองแต่ความโลภความอยากได้มากกว่าคนอื่นทีก็อ้างว่าเหนื่อยกว่าคนอื่นทำงานมากกว่าคนอื่น คนื่ยไม่ทํด้วยได้มาแล้วก็ทํานั้นหละเดี๋ยวตามเอามาก็ต้องคอยดูแลคอยรักษาอีกดีไม่ดีไม่ได้ใช้ก็กลัวหมดถ้าใช้ก็หมดก็ไม่กล้าใช้ก็เลยไม่ได้ใช้กลายเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์ไป ตายไปก็เอาไปไม่ได้ที่เราต้องมีนู่นมีนี่เพราะใจเรามั น, ม, น ม, มันไม่สุขมันไม่อิ่มมันไม่มีความอิ่มในตัวมันเพราะมันไม่มีบุญถ้าเราทำบุญแบบพระพุทธเจ้าทำเนี่ยเราจะไม่ต้องมีอะไรเหมือนกับพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าภาษาวอก ไ, ไม่มีสมบัติอะไร น, นอกจากสมบัติที่จำเป็นจริงๆพี่เล็กว่า บริขารแปดอัาบริขารเพื่อเอามาใช้เป็นปัจจัยสี่บาทเนี่ยหนึ่งใบบาทเราไว้ใช้ทำไมเป็นอาหารเป็นทั้งภาชนะใส่อาหารเป็นทั้งเครื่องมือหาอาหารเดินหิ้วบาทก็เป็ น, นตอนเช้าเนี่ยวันปีใหม่เนี่ยคนใส่บาทต้องแปดร้อยกว่าคนเแปดร้อยห้าสิบคนสามวัน วันที่สามสิบเอดสามสิบวันที่สามส็วันที่หนึ่งกับวันที่สองเนี่ยรวมกันแล้วได้ต้องพันพันเจ็ดร้อยวันที่สามสิบเอ็ดห้าร้อยห้าสิบวันที่หนึ่งแปดร้อยห้าสิบวันที่สองมื่อวานนี้สามร้อยนะสามร้อยวันนี้ลดลงมาสองร้อยกลับมาเป็นปกติแล้วสองร้อยกว่าธรรมดาวันธรรมดาก็ประมาณร้อยกว่าสองร้อยกว่า เป็นบาทแต่วันพระก็วันเสาร์อาทิตย์วันพระก็เพิ่มเป็นสามร้อยกว่าสามร้อยกว่าสี่ร้อยกว่าเนี่ยบาทม่เดียวคิดดูนีบาทวิเศษเลยเนี่ยเครื่องมือหากินของพระเนี่ยของ พ, พระพุทธเจ้าของพระสาวกเนี่ยนี่คือเครื่องมือหากินของท่านบาทใบเดียวแล้วใช้ได้หลายอย่างเป็นบาทเสร็จเอากลับมาก็ใช้เป็นถ้วยชามเลย ไม่ต้องไปมีถ้วยชาไม่มันเหนื่อยยากเองได้อาหารมาก็จัดอาหารใส่บาตรไปเอาทุกอย่างที่จะฉันใส่เข้าไปในบาตรนะท่านอยู่แบบเรียบง่ายสะดวกสบายไม่วุ่นวายไม่คือมักน้อยอะให้มีน้อยที่สุดให้ใช้ของน้อยที่สุดของพระนี่ช้อนก็ไม่มีไม่มีอัฐ บ, บริการไม่มีช้อนพระสายวัดป่านี่ท่านไม่ใช้ช้อนฉันนะ ใช้ใช้ใช้มือฉันกันฉันในบาตอาหารข้าวหวานก็ใส่เข้าไปในบาตรฉันเสร็จก็ล้างบาตรใบเดียวจบไม่ต้องไปล้างถ้วยล้างชามล้างช้อนล้างอะไรอีกญาติโยมนี่กินมื้อนึงนี่ชามเต็นกองไม่เริ่มเทิมเต่มทำให้ไม่อาใบเอากะละมังสักใบก็จบ <laughs> กะละมังคนละใบใส่เข้าไป เวลาเวลาล้างชาวยัได้ไม่ต้องมาบ่นมาเกลียกันเวลากินแยงกันกินพอเวลาล้างชาวนี้หนีหมดเลยหายหน้าไม่หมดเลยสร้างความทุกข์ให้กับตัวเองโดยไม่รู้สึกตัวอยู่ง่ายกินง่ายเนะ่ะดีที่สุดอ ย, อยู่แบบพระนี่ง่ายที่สุดไม่มีใครจะอยู่ง่ายเท่ากับพระ ถ้าในบรรดามนุษย์นะถ้าสัตว์นี้เขายิ่งง่ายกว่าเราใหญ่พวกสัตว์นี้เขาไม่มีบ้านอยู่เขาก็อยู่ของเขาได้ไม่มีห้องน้ําห้องท่าเขาก็อยู่ของเขาได้ไม่มีถ้วยมีชามีช้อนไม่มีอะไรเขาก็อยู่แต่มนุษย์เราเนี่ยชอบสร้างเรื่องสร้างปัญหาให้กับตัวเองมีเครื่องใช้ไม้สอยเต็มไปหมดเต็มบ้านเต็มช่อง แล้วก็ต้องมาคอยดูแลรักษาใช้กี่ใบก็ต้องล้างมันใช่ไหมใช้ชามกี่ใบก็ต้องล้างชามไอ้ชอ้อนกี่บใบกี่อันก็ต้องล้างมันใช้กระทะใช้มีใช้อะไรอะไรไม่หมดวันวันหนึ่งก็ต้องมาคอยเช็ดมาคอยล้างไอของพวกนี้กันีย่ยของพระพุทธเจ้ามีแค่ใบเดียวบาตรใบเดียวล้างบาตรกระฟาบาตรจบบินบาตกลับมา เอาอาหารใส่บาดรฉันเสร็จก็ล้างบาดรผ้าบาดก็จบแล้วเดี๋ยวเดีย ว, ยวแป๊บเดียวล้างบาดใบหนึ่งก็ไม่ถึงห้านาทีก็เสร็จแล้วนี่สมบาตแปดชิ้นบาด1หนึ่งใบสำหรับไว้หาอาหารผ้าสามผืนไว้เป็นเครื่องนุ่งหม่มผ้าจีวรมีผ้านุ่งผ้าหม่มแล้วก็ผ้าห่มกันหนาวมีสามผื น, นเรียกว่าไตจิ ถ้าตายตายแปลว่าสามนี่เป็นสมบัติชิ้นที่สี่แล้วชิ้นที่ห้าก็คือเข็มขัดรัดเอวผ้านุ่ง ม, มันไม่มีซิปไม่มีอะไรต้องมีอะไรรัดไว้ไม่เงี้ยเดี๋ยวมันหลุดไม่มีกระดุมไม่มีอะไรเป็นผ้าเฉ ย, ยๆม้วนๆเอาแล้วก็เหมือนผ้าถุงของญาติโยมสมัยก่อนอนอายุสมพลที่ใส่ผ้าถุงก็ต้องมีอะไรเอ่า ซ้อยอะไนที่รัดเอวอันนี้ก็มีเข็มขัดรัดเอวก็เรียกว่าประคตเอวสำหรับเครื่องนุ่หงห่มก็มีอยู่สี่ชิ้นสำหรับอาหารก็มีหนึ่งชิ้นก็เป็นห้าชิ้นละสมบะนั้นแล้วก็มีอีกเข็มก็ได้เอาไว้ซ่อมปะจีวรเวลาจีวรขาดเนี่ยบางทีเดินไปในป่าเกี่ยวกิ่งไม้เกี่ยว น้ำอะไรมันทำให้ขายก็ต้องมีเข็มก็ได้ไว้คอยคอยปะคอยเย็บอันนี้สมบัติชิ้นที่หกนะชิ้นที่เจ็ดก็มีดโกนเอาไวป้ปองผมป ง, ปงหนวดแล้วชิ้นที่แปดก็ที่กองน้ำที่ตักน้ำเวลาจะอยู่ในป่านี้สมัยก่อนเขาใช้น้ำในบึงในห้วย ในลำธารเวลาจะตักน้ำเขาต้องใช้ที่ตักพิเศษตักเฉพาะน้ําไม่มีตัวสัตว์ติดขึ้นมาไม่มีลูกน้ำเราเรียวที่กล่องน้ําที่ตักน้ํากล่องน้ำเ<ม>นี่มีแค่เนี้ยสมบัติของพระของพระพุทธเจ้ามีแค่นี้ยสมัยนี้เวลาบวชก็มีแค่เนี้เวลาไปเข้าไปบวชเนี่ยคนที่จะบวชเขาต้องมีสมบัติแปดชิ้นนี่ ส่วนที่อยู่อาศัยสมัยพระพุทธเจ้าก็อยู่ตามโคนไม้ไม่มีวัดไม่มีกุฏิก็อาศัยอยู่ในปา่าเอากิ่งไม้เอาอะไรมาทำเป็นเพลิงพอหลบแดดหลบฝนได้ก็พอสมัยนี้พระทุนงค์าไปอยู่ในปา่าก็มีกรดแล้วก็มีมุ่งอยู่อันหนึ่งก็เป็นเหมือนเต้น การกดออกมาแล้วก็เอามุ้งครอบครอบนั่งอยู่ในกอดไม่มียุงเข้ามากัด น, นั่งนอนในกอดนี่แหละชีวิตอันเรียบง่ายความสุขมันไม่ได้อยู่ที่สมบัติข้าของเงินทองมีสมบัติแล้วมันมีภาระมีความกั ง, งวลมีความทุกข์ใจไม่มีแล้วสบายใจ อยู่ในป่าไม่ต้องกลัวใครจะมาป้นมาจี้ไม่มีใครมาป้นมันไม่มีสมบัติอะไรให้มันป้อนผ้ามันก็ไม่เอาไปใส่กันผ้าจีวานเอาไปไม่มีสมบัติของพระที่ไหนที่คนอยากจะขโมยทิ้งไว้ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นแต่สมบัติของญาติโยมนี่เต็มไม่หมดถ้าลองไปอยู่ในป่าเดี๋ยวถูกเขาปนนะีเนี่ย นาฬิกาเอ่ยแหวนเพชรเอ่ยสร้อยเอ่ยตุง้งหูเอ่ยแว่นตาเอ่ยของที่คนเขาอยากได้กันนันน mm hmm. แล้วมันก็อยู่ได้เหมือนกันพระพุทธเจ้าไม่มีของสมบัติอย่างที่พวกเรามีกันทำไมท่านอยู่กันได้พวกเราทำไมอยู่แบบพระพุทธเจ้าไม่ได้มันยากตรงไหน พระพุทธเจ้าท่านอยู่ได้ทำไมเราอยู่แบบท่านไม่ได้อยู่แบบท่านได้แสนจะสบายไม่ต้องมีภาระต้องมาคอยดูแลรักษา mm hmm. ถ้วยชามเนี่ยกินอาหารเมื่อหนึ่งในถ้วยชามไม่รู้เท่าไหร่ขร่าจะล้างก่อนจะเก็บกันเสร็จ mm hmm. พอดีหิวพอดีกิ น, <laughs> กนเสร็จหิวเอามาร้างเสร็จใหม่ๆก็เอามาใช้ใหม่อ นี่ยหละชีวิตของพวกเราก็เลยอยู่กับการกินการอะไรเนี้ยเท่านั้นความสุขจากการกินมันก็เป็นความสุขเดี๋ยวเดียวกินเสร็จแป๊บเดียวเดียวก็หิวอีกแล้วเดี๋ยวก็อยากกินอีกแล้ว<ม><ม>เพราะว่าพวกเรามันไม่รู้จักวิธีหาความสุขแบบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าช่านมีวิธีหาความสุข ที่ไม่ต้องใช้ข้าวของเงินทองไม่ต้องใช้สิ่งของต่างๆท่านเพียงแต่ทำใจให้สงบใจก็มีความสุขขึ้นมานั่งหลับตาพุโทโธพุโทโธไปดูลมหายใจไปพอใจสงบนิ่งก็มีความสุขมีความอิ่มเหมือนกลับได้ไปเที่อวรอบโลกเหมือนกับได้ไปกินอาหารตามพัตคารตามโรงแรม ความสุขใจนี่มันยิ่งใหญ่กว่าความสุขทางร่างกายยิ่งใหญ่กว่าความสุขทางตาหูจ ม, มูกเิ่นกายความสุขทางตาหูจ ม, มูกเล่นกายเหมือนควันไฟสุขแป๊บเดียว <Bright. S 1> ไปเที่ยวปุบกลับมาหมดแล้หายไปแล้วไปกินไปดื่มกลับมาหมดแล้วอยากแยกออกไปอีกแล้วอยากจะไปเที่ยวอีกแล้วอยากจะไปกินไปดื่มอีกล mm. แต่ความสุขที่ได้จากการนั่งหลับตาทำใจให้สงบเนี่ยมันสุขแล้วมันไม่หิวไปเป็นวันเลยมันมีความสุขมีความอิ่มสบายไม่ต้องใช้อะไรไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องใช้ร่างกายเวลาร่างกายไม่สบายใจก็ยังมีความสุขได้ถ้าใช้ร่างกายถ้าต้องความสุขทางร่างกายเวลาร่างกายไม่สบายก็ทุกข์แล้วสิจะไปเที่ยวก็ไม่ได้จะไป กินไปดื่มอะไรแบบตอนที่สบายก็ไม่ได้นะมีแต่เจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้อยากใช้ใ ห, หายเร็วๆไม่หายก็เครียดเพราะไม่มีความสุขต้องดิ้นหาความสุขต้องใช้ร่างกายก็อยากให้ร่างกายหายเร็วๆร่างกายหายแล้วจะได้ไปเที่ยวต่อได้ไปดูไปฟังไปกินไปดื่มได้ไปร้องรำทำเพลง ไปดูหนังไปอะไรได้พอเวลาร่างกายไม่สบายนี้มันดูไม่ได้ทำไม่ได้ทำก็ไม่สนุกเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้เป็นไข้ร้อนไปทั้งตัวเหงื่อแตกแต่ถ้ามีรู้จักวิธีนั่งสมาธิทำใจให้สงบนี่จะไม่เดือดร้อนกับความเจ็บไข้ได้ปวยของร่างกายใจก็ยังมีความสุขได้ มีความสบายเหมือนกับตอนที่ร่างกายไม่เจ็บเพราะไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องใช้ตาหูจมูกมือกายไว้ดูรูปเสียงกลิน่นรส อ, อะไรนี่แหละจึงทำให้พระพุทธเจ้าอยู่แบบไม่มีอะไรได้พวกเราอยู่แบบนั้นไม่ได้ทำไมก็คนเหมือนกันทำไมท่านอยู่ได้เราทำไมเราอยู่ไม่ได้ เพราะเราไม่มีความสุขในตัวเราเองใจแล้วหิวโหยเวลาไม่มีอะไรก็เลยหิวโหยหิวกับรูปเสียงกลิ่นรสหิวกับอาหารหิวกับขนมหิวกับเครื่องดื่มอยากดูอยากฟังอยากกินอยากดื่มอยากเที่ยวอยู่เฉยๆไม่ได้เพราะใจมันไม่มีอาหารไม่มีบุญ พระพุทธเจ้ามีบุญหล่อเลี้ยจิตใจตลอดเวลาทำใจให้สงบนี่แหละคือบุญบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือบุญที่เกิดจากการทำใจให้สงบอาหารอันโอชะก็คือความสงบนี่ใจสงบแล้วใจจะอิ่มใจจะสุขใจจะพอไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไร เห็นอะไรแล้วไม่อยากได้มีแล้วกลายเป็นภาระขึ้นมามีแล้วก็ต้องดูแลรักษาอย่างนั้นก็ต้องหาที่เก็บแล้ะเกะกะล้วเกะกะอยู่แบบไม่มีอะไรนิสรรัยจะสบายเก็บกวาดมันง่ายกว่าบ้านปุ๊บเดียวเท่าเสร็จแล้ะถ้ามีของมีโต๊ะมีอะไรโอ้กว่าจะกวาดทีกว่าจะเช็ดจะถูทีลําบากมีซอกมีมุมมีมอะไร ไหนต้องมากวาดพื้ น, น ย, ยังต้องมาเช็ดโต๊ะถูต๊อีกกลายเป็นภาระกลายเป็นอะไรไปหมดมีไปทำไมมีห้องว่างๆอย่ดีกว่าเตียงก็ไม่ต้องมีนอนกับพื้นสบายเวลาจะกวาดบ้านกวาดถูบ้านก็ง่ายไม่ต้องมีเตียงนอนบนเตียงนอนบนพื้นมันก็หลับเหมือนกันนะเชื่อไหม นอนบนพื้นดีสิจะได้ไม่นอนมากจะได้ไม่เป็นหมูจะได้มีเวลามาทำความสงบมานั่งสมาธิทำใจให้สงบนอนมากมากก็ขี้เกียจลุกขึ้นมาก็ไม่อยากจะนั่งสมาธิอยากจะนอนต่อ ดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างที่ท่านบอกพุทธังสารังกาชามินี่ก็คือเนี่ยให้ดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างเป็นอาจารย์เป็นรูปแบบเป็นเป็นเป็นสิ่งที่เราควรที่จะทำตามสามังสารังกาชามิก็เนี่ยดูพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าท่านก็อยู่แบบพระพุทธเจ้าอยู่ ทามังก็คําสอนสอนให้เราทาแบบพระพุทธเจ้าสอนแบบให้ทาแบบพระสง์อยู่แบบสมมถะเรียบง่ายมักน้อยสันโดษอย่าไปหาอะไรมาให้ความสุขกับเราเพราะของที่เราหามานี้มันจะมีความทุกข์ติดมาด้วยมันไม่เป็นความสุขอย่างเดียวมันเป็นความทุกข์ด้วยทุกตั้งแต่เริ่มหาแนละ้วพออยากได้ใจก็ ไม่สบายแนละ้วอยู่ไม่เป็นสุขนะกวนกัวายเย่างวันวันหวยออกนี่คนซื้อหวยนี่กวนกวายกันอยากจะถูกหวยกันพอไม่ถูกก็เสียใจคนที่ไม่ทางหวยก็ไม่เดือดร้อนหวยจะออกไม่ออกถูกไม่ถูกก็ไม่เดือดร้อนเอาสบายใจกว่าพออยากได้อะไรมันก็ ใจก็ไม่สบายแล้วเราเวลาไปหามาก็ไม่สบายของมันไม่ใช่หาแบบง่ายๆอยากจะได้ของบางทีก็ต้องไปทํางานทํางานหาไรายได้ก่อนเพื่อจะไดะจะได้เอาเงินไปซื้อของที่อยากได้มาพอได้มาแล้วก็ต้องมาดูแลรักษากแล้าเดี๋ยวมันเสียก็ต้องเอาไปซ่อมอีก ถ้าเกิดมันหายไปก็เสียใจถ้าไม่มีมันสักอย่างก็จบสบายไม่มีความทุกข์ตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ความอยากมีพอไม่มีความอยากมีใจก็เฉยๆสบายไม่มีก็ได้ไม่มีก็อยู่ได้เวลาออกจากท้องแม่มีอะไรติดตัวมาป่าไม่มีนะไม่มีก็อยู่ได้ไ อ, ยไดอยู่กับแม่แม่ให้ยาอะไรกินก็กินอย่างนั้น แม้ให้นอนตรงไหนก็นอนอย่างนั้นไม่จะเป็นมีปัญหาเลยแต่พอโตขึ้นมาหน่อยกิเลสเริ่มออกความอยากรูน่นอยากได้นี่มีขึ้นมาแล้วพอไม่ได้ก็โวยวายงอเ ง, องี้ย น, นี่แหละคือปัญหาเพราะใจไม่มีความพอมีแต่ความอยาก ความอยากกับความพอนี่มันอยู่ด้วยกันไม่ได้ถ้ามันพอมันก็ไม่อยากใช่ไหมถ้ามันอยากก็แสดงว่ามันไม่พอเอ้นี่เราก็ทําให้มันพอสิเวลามันอยากก็บอกไม่เอาพอแล้วเออแต่มันพูดอย่างไงมันก็ไม่เชื่อมันก็ยังอยากอยู่นั่นน่ะวิธีที่จะทําให้มันพอจริงๆต้องทําให้มันสงบเท่านั้นะเออถ้าทําใจให้สงบแล้วมันพอความอยากจะหายไป ความพอจะโผล่ขึ้นมาเนี่ยถ้าเราทำใจสงบแล้วเราใจจะพอเมื่อพอแล้วก็ไม่ต้องมีอะไรมีก็มีเท่าที่ของจำเป็นที่ต้องมีของที่ต้องเลี้ยงดูร่างกายไปเท่านั้นเองถ้าไม่มีก็ไม่เดือดร้อนถ้าไม่มีปัจจัยสี่เช่นถ้าไม่มีหาอาหารไม่ได้ก็อดมันไปถ้ามันจะตายก็รอดอาหารก็ต้องตาย ตายก็ไม่เดือดร้อนเพราะร่างกายก็ไม่ต้องใช้มันอยู่แล้วไม่มีร่างกายก็ไม่เดือดร้อนใจที่สงบใจที่มีความพอนี้ไม่เดือดร้อนไม่มีร่างกายก็ไม่เดือดร้อนอย่างพระพุทธเจ้านี่ตั้งแต่วันที่ท่านถึงเมืองพอวันที่ท่านตัดสรเนี่ท่านไม่ต้องใช้ร่างกายต่อไปก็ได้ปล่อยให้ร่างกายมันตายไปไม่ต้องกินอาหารปล่อยให้มันตายไปท่านก็ไม่เดือดร้อนแอ่ท่าน เห็นว่าร่างกายยังมีประโยชน์อยู่เรายังเอามาใช้สอนคนได้อยู่ะเป็นเครื่องมือสอนคนพระพุทธเจ้าแสดงธรรมก็ต้องมีร่างกายนะเยตอนนี้ไม่มีร่างกายพระพุทธเจ้าแล้วพวกเราเลยไม่ได้ฟังเทศจากพระพุทธเจ้ากันะถ้ามีถ้าถ้าร่างกายของพระพุทธเจ้าอยู่จนถึงวันนี้เราก็จะได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าตอนที่ท่านตัดสมุนั้นตอนนั้นท่านเพิ่งอายุ35ปีนะั่นเอ ร่างกายยังแข็งแรงยังเอาไปใช้ทําประโยชน์ได้ท่านก็เลยเลี้ยงมันให้อาหารมันท่านก็เลี้ยงแบบง่ายๆถึงแม้ว่าท่านเคยเป็นกษัตริย์ท่านก็ไม่กลับไปอยู่เป็นกษัตริย์ควาจริงท่านจะกลับไปอยู่แบบกษัตริย์ก็ได้แต่มันจะเป็นตัวอย่างไม่ดีจะเหนือทําให้ว่ามาบวชกันอยากจะอยู่เป็นกษัตริย์กัน ท่านก็สอนให้พระอยู่แบบเรียกงเพราะมันเป็นวิธีที่สะดวกสบายที่สุดถ้าไปอยู่แบบกส็สับเดี๋ยวก็ยุ่งไปหมดนะเดี๋ยวจะต้องมีคนนับใช้มีอะไรอันนี้ก็ท่านไม่ได้ใช้ร่างกายไม่มีร่างกายท่านก็ไม่เดือดร้อนร่างกายจะอดตายท่านก็ไม่เดือดร้อนแต่เมื่อยังเลี้ยงมาได้ท่านก็เลี้ยงมันไปยัง เคยบินธบาตอยู่ก็บินธบาตต่อไปเคยใช้ผ้าสามผืนก็ใช้ผ้าสามผืนไปเคยอยู่ตามคนมา ก, ก็อยู่ต่อไปเมื่อมันยังไม่ตายก็เลี้ยงมันไปตามอั ต, ตภาพเราก็จะได้ใช้ร่างกายนี้สั่งสอนคนนถ้าพระพุทธเจ้าไม่สอนเราจะไม่มีพระพุทธศาสนาเนี่ยศาสนาของพวกเราเนี่ยพุทธศาสนานี่เกิดจากคำสอนของพระพุทธเจ้าพอพระพุทธเจ้าเริ่มสอนคนมาฟัง ฟังแล้วออกไปปฏิบัติก็บรรลุเป็นพระสง์เป็นอรลัยสงฆ์สาวกแล้วก็ไปช่วยสอนกันต่อก็เลยมีการสา่การสอนธรรมะกันมาอย่างต่อเนื่อง ม, มีการบวชเรียนกันอย่างต่อเนื่องเมื่อมีคนมาบวชมาเรียนมาศึกษามาปฏิบัติมาสั่งมาสอนก็เลยมีการต้องสร้างวัดสร้างวาสร้างที่อยู่อาศัยขึ้นมาเท่านั้นเองแต่ตัว ประเด็นสําคัญของศาสนาอยู่ที่การสอนเท่านั้นสอนธรรมะเพราะว่าธรรมะนี้จะทําให้พวกเรารู้จักวิธีทําใจของเราให้พอกันเมื่อใจเราพอแล้วใจเราก็จะพ้นทุกข์จะไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนจะไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรไม่อยากเป็นอะไรดีก็ไม่เดือดร้อนไม่มีก็ไม่เดือดร้อนอยู่ก็ไม่เดือดร้อนตายก็ไม่เดือดร้อน แกก็ไม่เดือดร้อนเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่เดือดร้อนอันนี้นะ่ะเป็นผลที่เราจะได้รับจากผลประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการมีพระพุทธศาสนาเราจะได้เรียนรู้จากวิธีทําใจของเราให้พอพอใจพอแล้วทีนี้สบายไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายไม่มีต่อกังวลกับเหตุการณ์ต่างๆ เพราะใจไม่เกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆสิ่งที่จะถูกกระทบก็คือร่างกายซึ่งใจไม่ได้เป็นร่างกายใจไม่ต้องอาศัยร่างกายร่างกายจะมีไม่มีร่างกายจะอยู่จะตายไม่เป็นปัญหาเลยใจมีความพออยู่ตลอดเวลามีความสุขตลอดเวลาก็ง่ายๆวิธีทำความสุขให้กับใจก็นั่งเฉยๆเนี่ย เรานั่งเฉยๆแล้วพูดโทไปดูเลยถ้าทำได้ก็จะพบกับความพอความสุขขึ้นมาแล้วก็สามารถอยู่แบบไม่มีอะไรอยู่แบบพระพุทธเจ้าได้เคยมีสามีมีภรรยาก็ยกให้คนอื่นไปมีลูกมีเต้าก็ยกให้คนอื่นเขาไปก็อยากจะได้ก็เอาไปมีสมบัติเข้าของเงินทองอะไรก็เอาไปหมดเพราะไม่ต้องใช้ของเหล่านี้แนละ้วถ้าใจมีความสงกมีความพอแล้วมันไม่ มันไม่ต้องมีอะไรเนี่ยลองทําดูสิของง่ายๆพุทโธคําเดียวเนี่ยนั่งหลับตาแล้วก็พุทโธพุทโธพุทโธไปเนี่ยมันจะยากตรงไหนคาว่าพุทโธเนี่ยนั่งพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปในใจไม่ต้องออกเสียงให้มันอยู่กับพุทโธแล้วมันจะไม่ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เพราะถ้าไปคิดแล้วเดี๋ยวก็ยาก เดี๋ยวคิดถึงคนนั้นก็อยากจะไปหาเขาคิดถึงสิ่งนั้นก็อยากจะไปได้สิ่งนั้นมาอยา่คิดถึงกาแ ฟ, แฟก็อยากจะดื่มขึ้นมาคิดถึงขนมก็อยากจะกินกินแล้วอิ่มไหมไม่ไม่อิ่มกินแล้วเดี๋ยวก็ต้องกินอีกใช่ไหมอิ่มเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวพอมันย่อยเสร็จแล้วมันก็หิวขึ้นมาใหม่อยากกินอีกนะกินจนวันตายก็ยังอยากอย่างนั้นะไม่มีวันพอ ถ้าลองไปกินไ ป, ไปดื่มไปดูไปฟังนี่จะไม่พบคำว่าพอคำว่าพออยู่ที่คาว่าพุโทโธพุทโธเนี่ยนั่งหลับตาแล้วก็พุโทโธพุโทโธพุทโธไปอย่าไปคิดอะไรถ้าทำได้เนี่ยวันนี้ก็อิ่มได้เนย่บางคนนี้พอฟังเทศปั๊บค่ไปปฏิบัติได้เลยทำได้เลยบรรลุได้เลยเชื่อพระพุทธเจ้าทำตามที่พระเจ้าสอน ใจก็อิ่มขึ้นมาใจก็พอขึ้นมาพระพุทธเจ้าสอนคนหนึ่งเขาอยากจะรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรให้ทําอะไรพุทธเจ้าบอกว่าให้รู้เฉยๆ<ม>เห็นอะไรก็ให้รู้สักแตว่ว่ารู้สักแตว่ตว่าเห็นได้ยินอะไรก็สักแตว่ว่าได้เห็นได้ยินอแต่อย่าไปอยากไม่ให้ไปอยากให้รู้เฉยๆถ้ารู้เฉยๆได้ไม่มีความอยากก็สบายอิ่มพอ พอจะอยากก็ตัดมันเสียหยุดมันพอมันอยากก็บอกพอไม่เอาแล้วพอแล้วเกิดมานี่ดูมาไม่รู้กี่ปีแล้วฟังมาไม่รู้กี่ปีแล้วเดืมมาไม่รู้กี่ปีแล้วกินมาไม่รู้กี่ปีแล้วไม่เคยพอสักทีเราต้องบอกให้มันพอไม่เอาแล้ว <c oughs> ถ้าเรามีกำลังใจอยู่ความอยากได้ใจมันก็จะพอขึ้นมมันก็จะอิ่ม ถ้ามันไม่มีกำลังหยุดความอยากก็ต้องสร้างต้องใช้พุโทโธหยุดมันพอมันอยากก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวมันก็หายอยากแล้วมันก็จะสบายใจอิ่มใจสุขใจเนี่ยของง่ายๆเป็นเหมือนเส้นผมบางภูเขาเส้นผมเส้นบางๆแค่นีไ้ไปปิดของ ต่างๆโน่นเลยของง่ายๆกลับกลายเป็นของยากไปของยากกลับกลายเป็นของง่ายให้หาเงินเป็นร้อยล้านพันล้านนี้กลับเป็นของง่ายกว่าให้มานั่งเฉยๆใช่ไหมให้นั่งเฉยๆพุทโธพุทโธนี่ยากบ่าไปถีดจักรยานวิ่งมาราธอน ไปนู่นมานี่ไปได้หมดขึ้นเหนือล่องใต้เห็นไหมวิ่งจากใต้ขึ้นไปเหนือยังวิ่งได้เลยแต่ให้นั่งเฉยๆพุโทโธพุโทโธนี้นั่งไม่ได้ทำไม่ได้ทาไมไม่มีใครมานั่งมารอทอนกันบ้างนะสบายกว่า <c oughs> กินกินข้าวเสร็จตอนเช้าก็นั่งมาถึงตอนเย็นเลย <c oughs> ถ่ายทอดสดนี่ <c oughs> นั่งอยู่เฉย ของง่ายกับการเป็นของยากเพราะไม่มีใครนั่งได้ให้นั่งเฉยๆสักชั่วโมงนี่ก็ไปนั่งรอหมอนี่ไม่กี่นาทีก็ยังหดเหยียดลำคาญคอยดูนู่นต้องดูต้องมีทีวีให้ดูตามคลินิกตามโรงพยาบาลเวลาไปนั่งรอหมอเนี่ยเขาจะมีทีวีให้ดูมีหนังสือให้ดูจะได้หายหดเหงียดเพราะมันนั่งเฉยๆไม่ได้ ใจม่ไม่ยอมอยู่เฉยใจมันหิวกับรูปเสียงกลิ่นรสอยู่ตลอดเี่แหละเพราะเราไม่มีเบรกไม่ไม่มีเบรกหยุดความอยากเราไม่รู้จักเบรกเบรกคือสติไม่มีไม่มีสติก็ไม่รู้จักวิธีสร้างสติขึ้นมาวิธีที่ที่เราพุทโธพุทโธนี่แหละเป็นวิธีสร้างสติเป็นวิธีหยุด หยุดความคิดหยุดความอยากต่างๆพอหยุดความคิดหยุดความอยากได้แล้วใจก็เบาสบายหายเครียดหายตึงหายอึดอัดนี่นี่คือสิ่งที่เราควรจะทำกันถ้าเราอยากจะมีความสุขมากขึ้นอยากมีความทุกข์น้อยลง ขอให้มาฝึกทำสมาธิกันเถิดทำสมาธิได้ตอนต้นเอานั่งลองนั่งดูเลยเดี๋ยววันนี้กลับไปถึงบ้านก็นั่งเลยนั่งได้เท่าไหร่ก็นั่งไว้เถอดถ้าไม่เริ่มนั่งมันอีกสิบปีมันก็ไม่ได้นั่งเชื่อมไหะแต่ถ้าเริ่มนั่งแล้วมันจะนั่งไปเรื่อยๆตอนต้นอาจจะนั่งได้แค่ห้านาทีเอาห้านาทีก็ยังดีแต่นั่งวันทุกวันเอแล้วนั่งให้มันหลายๆครั้งหลายๆหนะ นั่งไปเรื่อยๆไม่ไม่ยากนั่งแล้วก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปถ้าเบื่อพุโทโธจะให้เป็นบทยาวหน่อยก็ได้บวชสวดอิติปิโสไปก็ได้อิติปิโสปะกาวาอัหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจรณะสัมปันโนโถ้ายังนึกไม่ได้ก็สวดไปก่อนก็ได้ถ้าสวดแบบไม่ออกเสียงได้ก็ดีมันสบายกว่ามันเบาวกว่า นึกไปในใจอดีตปีศาว์ผักกาวาอรหังสัมมาสัมพุโทโธไปไม่ถ้ามันยากก็พุโทโธพุโทโธไปพุทธังสานังกระฉามิกระไดธรรมังสานังกระฉามิกระไดเรื่องนี้ก็เป็นการฝึกสติเพราเวลาเราสวดเราจะไปคิดถึงความอยากต่างๆไม่ได้ถ้าเราสวปดป่นนานความอยากมันก็จะมีโอกาสโผล่ขึ้นมายากขึ้น ความอยากทําให้ใจเราวุ่นวายทําให้ใจเราไม่สบายพอความอยากน้อยลงใจของเราก็จะวุ่นวายน้อยลงความสบายใจก็จะมีเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นไปได้่อยแล้วต่อไปเราก็จะสามารถควบกลุ่มความอยากได้ตลอดเวลาใจก็จะมีความสุขอรับรองได้ถ้าลองฝึกทําสมาธิ ถ้าไม่เคยไม่เคยทําเลยก็ลองเริ่มทําดูแล้วรับรองได้ว่าปีนี้จะมีความสุขมากกว่าปีที่แล้วก่อนที่ปีก่อนที่ทําได้แล้วก็ทําให้มันมากขึ้นทําให้มันเป็นสองเท่าเช่นเคยนั่งเวลาครั้งก็เพิ่มเป็นสองครั้งเคยได้นั่งครั้งละสิบห้านาทีก็เพิ่มเป็นสามสิบนาทีถ้าสามสิบนาทียังไม่ได้ก็เพิ่มเป็นยี่สิบนาทีก่อนอยากสิบห้าก็เป็นยี่สิบ ย0สิบแล้วก็เป็นยี่บห้าเพิ่มไปทีละนิดเทียหน่อยไม่ต้องไม่ต้องก้าวแบบพวดพลาดเพราะมันยากก้าวทีละก้าวนี้มันง่ายถ้าวิง่งถ้าจะเดินทีละสามก้าวนี้มันยากเอาเดินทีละก้าวมันง่ายกว่าขอให้พยายามทําไปเถิดนผลความเรื่องของจิตใจนี้ไม่มีใครทําให้เราได้เราต้องทําเองความสุขใจความอิ่มใจความพอใจไม่มีใครให้เราได้ เราต้องเป็นผู้ให้กับตัวเราเองให้ด้วยการทำใจให้สงบให้ด้วยการมีสติให้ด้วยพุทโธบริกรรมพุทโธพุทโธไปนั่งเฉยๆไปมันจะมีหลายประโยชน์นั่งเฉยๆก็ไม่ต้องไปทำไม่ต้องไปมีเรื่องมีราวกับใครเพราะไม่เฉยเดี๋ยวก็ไปมีเรื่องกับคนนั้นมีเรื่องกับคนนี้เพราะอยากได้อยากได้ของอันเดียวกันเดี๋ยวก็ไปแย่งกันเอง ถ้านั่งเฉยๆไม่ไปแย่งกับใครใครอยากจะได้อะไรก็ปล่อยเขาไปเราก็พุทธโธพุทธโธของเราไปออมีประโยชน์หลายอย่างนั่งเฉยๆแล้วจะได้ไม่ไปมีเรื่องมีราวกับคนอื่นความทุกข์ที่เกิดจากเรื่องราวกับคนนั้นคนนี้ก็จะไม่มีใครอยากจะเอาสมบัติก็เอาไปถ้าเขามีความสามารถเราไปได้ก็ให้เขาไปถ้าเราไม่มีความสา ม, มารถที่จะรักษามันไว้ก็ให้มันไปถ้าเรามีความสงบเราก็ไม่ต้องใช้มันอยู่แล้ว เราลองมาฝึกทําใจให้สงบกันมาฝึกสติกันเวลาไม่นั่งก็พุโทโธได้เวลาอาบน้ําก็พุโทโธได้เวลาล้างหน้าแปรงฟันก็พุโทโธไปดีกว่าไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้คิดแล้วก็ไม่สบายใจวุ่นวายใจขึ้นมาอีกทูกพุโทโธพุโทโธไปแล้วใจจะว่างใจจะเบาไม่มีเรื่องไม่มีอารมณ์มารบกวนใจ แล้วจะมีแต่ความสุขิ้นปีนี้อาจจะบอกว่าสุขหนอสุขหนอไม่เคยสุขแบบนี้มาก่อนเลยหนาะนี่แหละคือวิธีสร้างความสุขลดความทุกข์ให้น้อยลงไปมาฝึกจิตกันมาควบคุมจิตกันอย่าปล่อยให้มันไปคิดไปอยากให้ใช้พุทโธพุทโธพุทโธไปเนื้อสวดมนต์ไป แล้วความสุขใจจะมีมากขึ้นความทุกข์จะมีน้อยลงไปแล้วจะหมดไปในที่สุดพระพุทธเจ้าท่านทำแค่นี้แหละท่านท่านสอนให้ทำแค่นี้สอนให้มาทำใจทำใจให้สงบทำใจให้ให้นิง่งทำใจให้พ้นจากความอยากแล้วจะพ้นจากความทุกข์แล้วนะก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะอนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคขังเอวเมวะอิตโตทินังเปตานังอุปการปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจัโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาหะโสยะถามณิโชติ พราสุยถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวะตวันตารโยสุขีทีคาโยโกภวะอภิวาทานศีลิตสะนิจังอุทธาปจายโนจตารุธรมมวัทฐันติอายุวันโอสุขัง จะกลับมเมืเอ่อไรกลับกลับพร้องกันนะเนาะอาหารนั่งสมาธิกันนะอ่าดีวกวนั่งดูหนงงนะังหนิไม่ต้องเสียงเงินด้วยนั่งสมาธิไม่เสียงเงินนยู อาจารย์าวที่วาัาลาวที่วดัดมากงนกี่คนสามคนนี่แหละเนืน้อกี่ไงถึงมาถึงที่นี่ล่ะมีอาจารย์ที่วัดบุคินนะคะวที่วา่นานแนะนำมาเกิดท่กมาบอขอให้ท่า่อนในเรื่องของกรรมฐา น, นอันนี้ะกรรมฐานก็คือการทำใจสงบนี่แหละพุโทโธนี่แหละกรรมฐาน่ยโงโยมคือมัน อ๋อไม่เป็นไรก็ปล่อยมันไหลไปไม่มีปัญหาอะไรไมันจะอ๋อไม่น้ำตามันไม่ลบกวนใครหรอกอย่าไปออกเสียงอนะ่านั่งเฉยๆน้ำตาจะไหลก็ปล่อยมันไหลไปถ้าจิตสงบเดี๋ยวมันก็หายเองเดี๋ยวเวลาจิตสงบจิตนิ่งทุกอย่างที่มันเป็นปัญหามันจะหายไปหมดไม่ต้องไปกนนะังวละ มีอะไรอยากจะถามไหมไม่มีพยายามมีของเงินน้อยอย่าไปมีมากเอาของเท่าที่จําเป็นพอมีพอใช้พออยู่ได้ก็พอแล้ะเอาเงินทองไปทำบุญหรือเอาเงินทองมาซื้อของจําเป็นดีกว่าหรือเก็บไว้สำหรับเผ่อวันข้างหน้าเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีไรายได้ก็จะได้ไม่เดือดร้อนอะจะไปซื้อของพวกต่างๆที่ไม่จําเป็นจะต้องซื้อ ซื้อแล้วเวลาไปขายก็ขายไม่ได้ขายก็ไม่ได้กี่ตังค์ให้มันจําเป็นจริงๆเสื้อผ้ามันขาดจริงๆก็ค่อยซื้อดีกว่าถ้ามันไม่ขาดแคลนก็อย่าไปซื้อเอาเงินเก็บไว้หรือถ้าเก็บพอแล้วก็เอาไปทําบุญดีกว่าทําบุญจะมีความสุขใจมากกว่าไปซื้อของซื้อของสุกดี๋ยวเดยวแล้วก็หิวอยากจะซื้ออีกถ้าทําบุญแล้วมันจะไม่หิว แล้มันจะไม่อยากจะซื้อข้าวซื้อของไม่อยากใช้เงินซื้ออะไรต่างๆจะทำให้เราอยู่เฉยๆอย่างมีความสุขจะาให้เรามีเวลามานั่งสมาธิทำใจให้สงบได้ถ้าเราต้องใช้เงินเราก็จะต้องหาเงินหาเงินมันก็จะวุ่นวายมันก็จะไม่มีเวลามานั่งพุโทโธพุทโธเพราะใจมัวแต่คิดว่าจะหาเงินยังไงหาเงินยังไงหาที่ไหนดี มันก็จะไม่มีเวลาที่จะมานั่งพุตโธมานั่งทำใจให้สงบพยายามมีสมบัติน้อย mm. ตายไปเก่าไปไม่ได้แบกไม่ไปททำไม mm. มีอะไรก็ต้องแบกแบกทางจิตใจแบกด้วยความรักความหวงความห่วง mm. ความวิตกความกังวล มีมากแล้วมันก็เป็นภาระมากมีน้อยๆดีกว่ามีแบบพระพุทธเจ้าเนี่ยมีแค่สมบัติแปดชิ้นก็พอมรดกของพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ที่สมบัติเข้าของเงินทองแต่อยู่ธรรมะอันประเสริฐอยู่คาสอนอันประเสริฐที่ทิ้งไว้เป็นมรดกให้กับพวกเราพวกเราทุกคนนี่มีสิทธิ์รับมรดกของพระพุทธเจ้าได้ พรบะบิาเจาไม่เลือกว่าจะให้คนนั้นไม่ให้คนนี้ให้ทุกคนใครอยากจะได้เอาไปเลยมรรคผลนิพพานไปนั่งสมาธิแล้วมรรคผลนิพพานก็จะมาเองว yeah. mm hmm. ันนี้ทางเฟซบุ๊กเข้ามาเท่าไหร่นะลองพูดดูเนยะ วันนี้ Facebook เข้ามาสูงสุดสามร้อยสี่สิบแปดค่ะ y o u t u หนึ่งร้อยสิบเจ็ดแล้วก็วิทยุมีหกค่ะ3าม้อยสี่บแปดกับ YouTube ไหนึ่งร้อยสิบเจ็ดค่ะร้อสิบเจ็ดสี่ร้อยทั้งหมดสี่ร้อยเจ็สิเอ็ดค่ะสร้อยเจ็สิเอ็ดถ้ามีคำถามก็เอาเข้ามาอ่านได้ลงเข้ามาได้ เียมีคนติดตามดูถ่ายทอดสดไปทั่วโลกเลยมีผู้ติดตามคอยนับจำนวนไม่เลยพร้อมกันทีเดียวนะแต่ที่มาจากต่างประเทศนี้สามสิบกว่าประเทศเนียแล้วในตในประเทศไทยก็ห้าสิบกว่าจังหวัดนะด<ม>าราที่วาดมีป่ะด<ม>าราที่วาดมีป่ะมีครับ จจเย็นๆทําให้มันดีเดี๋ยวรีบร้อนแล้วเดี๋ยวมันก็ไม่ดีแทนที่จะเร็วกับชา้าเีงช้าๆได้พระสองงามสองเล่มงาม <c oughs> ถ้ามีคำถามทาง YouTube ก็ถามก่อนก็ได้หรือทางอะไรเขาถามจากคุณไอเบอร์รี่ค่ะ หนูนั่งสมาธิหนูนั่งสมาธิดูลมหายใจรู้ตัวอีกทีลมละเอียดขึ้นแล้วมีอาการเหมือนคนกลัวตายหายใจไม่ออกหายใจออกมาเครื่องใหญ่เหมือนกลไกลอัตโนมัติของร่างกายแล้วสมาธิเคลื่อนออกจากจิตควรแก้ไขยอย่างไรคะเพราะเราไม่มีสติไงความอยากความกลัวตายมันก็เลยทําให้จิตเกิดปฏิกิริยาอยู่เฉยๆไม่ได้ถ้าเรามีสติ เราก็บังคับให้มันรู้เฉยๆมันจะไม่มีลมหายใจก็ให้รู้ไม่มีลมหายใจมันจะเหมือนจะมันจะขาดใจตายก็ปล่อยมันขาดใจตายไปมันเป็นเพียงความรู้สึกเท่านั้นน่มันไม่ตายหรอกร่างกายมันก็ยังหายใจของมันอยู่แต่รมละเอียดใจก็เลยไปปรุงแต่งไปคิดว่ามันจะไม่มีลมหายใจขึ้นมามันก็เลยเกิดความกลัวมันก็เลยทาให้เกิดอาการอยากจะหนีความกลัวตายไป แล้วบาั้ม่ได้กลัวตายต่เหมือแบบรู้สึกว่าเหมือนจะหายใจไม่ออกเนี่ยค่ะเป็นบางครั้งก็ช่างมันให้รู้เฉยๆไปถ้านั่งสมาธิอยู่นะถ้ามันจะไม่หายใจก็ให้รู้ว่าไม่ไม่หายใจไม่เป็นไรมันเหมือนอุดอัดหายใจไม่ออกเลยก็ไม่ก็ให้รู้เฉยๆไงมันจะเป็นยังไงก็ให้รู้ไปมันอย่างเดียวอย่าใช้ไม้มันก็ยุ่งตรงนี้ยเดี๋ยวก็ต้อง เดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนมือคนนั้นเปลี่ยนมือคนนี้อ่าไม่เป็นไรว่าไปคาถามจากคุณพิคุณพระอาจารย์เจ้าคะก่อนโยมพ่อก่อนพ่อโยมสิ้นใจโยมได้จับมือพ่อแล้วสวดมนต์และแผ่เมตตาจนพ่อสิ้นใจกับมือไม่รู้ว่าโยมทําถูกหรือเปล่ากราบขอบพระคุณพระอาจารย์เจ้าคะ่ะทําถูกยังไงล่ะทําเพื่ออะไรล่ะเพราะว่าถ้าจะทําเพื่อให้พ่อก็ทําไม่ได้หรอก พ่อต้องทำของพ่อเองพ่อต้องภาวนาเองพ่อต้องสวดมนต์เองพ่อต้องเราทำถ้าทำเพื่อเราถูกถ้าทำแล้วใจเราไม่ทุกข์ใจเราไม่เสียใจไม่วุ่นวายใจก็ถูกแต่ทำให้พ่อไม่ได้แล้วก็แผ่เมตตาไม่ได้ตอนนั้นไม่ได้แผ่ตอนนั้นสวนไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรให้กับพ่อไม่ได้เอาขนมให้พ่อกิน ไม่ได้ไม่ได้แผ่เมตตาเพียงแต่สวดปวดแผ่เมตตาไปเท่านั้นเองซึ่งไม่เกิดประโยชน์อะไรในตอนนั้นมันเป็นเรื่องของอัตตาหิอัตโนนาโถเป็นเรื่องของตัวใครตัวมันไม่มีใครที่จะมาทำหน้าที่ของตนได้ในตอนนั้นถ้ารู้จักวิธีภาวนาทำใจให้สงบก็จะไปอย่างสบายถ้าไม่รู้จักก็จะวุ่นวายจาก จะกลัวจะจะหลงบางทีจะเสียสติไปด้วยความกลัวก็ได้คําถามจากคุณเบิร์ดการทําบุญกับพระสงฆ์หรือการให้กับค า, ารวาสทั้งหลายโดยการที่จะเลือกแต่อาหารหรือสิ่งของที่มีรสอร่อยสะอาดในระดับหนึ่งสิ่งของต้องเป็นของที่มีคุณภาพในระดับหนึ่งเนื่องจากนิสัยส่วนตัวเวลาทําบุญหรือจะให้สิ่งของกับผู้ใดก็ตามต้องคิด และเลือกหาซื้อที่ดีที่สามารถซื้อได้เช่นนี้ถือเป็นกิเลสไหมคะถ้ามันอยู่ในเหตุผลก็ไม่เป็นกิเลสคือจะที่ว่าต้องดูว่าของมันบูดหรือไม่บูดอย่างนี้ก็อย่างนี้ไม่เป็นกิเลสแต่ถ้ามันไม่บูดแต่ว่าต้องโอ้โหต้องเป็นของมาจากโรงแรมชั้นห้าดาวแต่อย่างนี้ก็เป็นกิเลสได้แต่ก็ ถ, ถ้าทาเพื่อผู้อื่นก็ไม่ถือไม่ถือว่าเป็นกิเลสเพราะไม่ได้ทาให้กับตนเอง หรือว่าเป็นธรรมะเพราะว่าเราอยากจะให้สิ่งที่ดีๆกับผู้อื่นอันอย่างนี้ไม่เป็นกิเลสมันจะเป็นกิเลสถ้ามันทำเพื่อตัวเราเองตัวเราเองนี่เราจะเอาแต่สิ่งเรียบๆง่ายๆดัดสันดาลกิเลสของเราแต่ถ้าสำหรับคนอื่นนีให้ของดีๆเขาโดยเฉพาะคนที่เราเคารพนับถือเช่นบิดามารดาเราก็อยากจะให้เขาได้ของดีๆใช้ของดีๆกินหรือพระสงฆ์องค์เจ้า ถึงแม้ว่าท่านไม่ได้ไม่ได้มีความจำเป็นความกังวลความต้องการของดีๆแต่ในหน้าที่ของเราผู้ให้เราก็ควรที่จะให้หรือว่าท่านจะไม่ให้ของดีก็ได้ให้เป็นของที่เหมาะสมกับสถานะของพระไปก็แล้วกันพระอาจจะไม่ต้องเป็นอาหารมาจากโรงแรมห้าดาวก็ได้ขอให้อาหารกินแล้วไม่ปวดท้องก็ใช้ได้ก็แล้วกันอย่า อ, าอาหารบูดอาหารดิบไปให้อย่างช่วงปีใหม่เนี่ย บางทีชอบใส่แต่หารดิบเข้าสารใส่บางทีสมัยก่อนเคยไปบินธบาตวันวันวันปีใหม่ไม่มีข้าวกินไม่มีใครใส่ของสุกใส่แต่ของแห้งเพราะคิดว่าพ้าจะได้เก็บไว้นานๆแต่ลืมไปแล้ววันนี้จะกินอะไรไม่กินไม่มีข้าวกินใช่ไหมไปบินฑบาตมีแต่มีแต่ปลากระป๋องเครื่องกระป๋องมีข้าวสารแต่ไม่มีข้าวสุก ไม่มีกับข้าวให้กินวันนั้นเพราะเห็นว่าคนใส่กันเยอะควรเดี๋ยวให้ของสูงน้วยมันจะเก็บไว้ไม่ได้ก็จะเสียของก็เลยให้ของดิบกันทุกคนเลยซึ่งตามหลักของการบินทบาทการให้อาหารผ้านี่ต้องให้อาหารสุกอาหารดิบให้ไม่ได้เพราะผ้าไม่มีครัวเพราะทำครัวไม่ได้ทำอาหารเองไม่ได้อ่าเ่าจริงๆแล้วไม่ควร อ้าวก็บอกแล้วมันกินอาหารเด็ดกิดไม่ได้เข้าสารพราไปหุงข้าวไม่ได้อะของมันต้องกินได้ในวันนั้นนะของสุกอ่ะองั้นถ้าอยากจะถวายของของอันนั้นก็ควรจะไปถวายที่วัดดีกว่าอเอาไปให้ถวายวัด อ, ะ, อะไรวันนี้แต่เวลาจะใส่บาตรควรจะใส่อาหารสุกเพราะถ้าพระท่านบินบาต ในเวลานิมนต์พระไปที่บ้านโยมอาหารป่าก็ป๋องเอาคู่ข้าวสารไปถวายดีกว่าท่านไปฉันอ่ะใช่ไหมไม่ท่านไ ป, น ไ, ไ, ป, ไ, ปไปเอาของดิบที่ไหนหรอบินตาบาทั้งกับินตาบาเพื่ออาหารไปฉันไม่ใช่เอาอาหารไปเก็บใช่ัหมแต่อยากจะให้ท่านเก็บไปเอาไปมอบไว้ที่วัดดีกว่าเอที่วัดเขามีคลังมีห้องเก็บของนี้่เอาไปถวายให้เก็บไว้แล้ววันไหนถ้าไม่มีอาหารขาดแกนอย่างวัดป่านี่บางทีเขาจะมี อยู่ที่กลายกันดาลบางทีวันธรรมดาไม่มีคนไปทำบุญก็อาจจะเอาของที่เป็นเครื่องกระป๋องอะไรนี้มาทำให้ลูกศิษย์ทำให้พระทำเองไม่ได้สมัยที่เราอยู่บ้านตากยังเคยมีเลยแต่ไม่มากไม่บ่อยช่วงแรกๆยุคแรกๆไม่มีคนรู้จักบางทีวันธรรมดาไม่มีใครไปใส่บาตรบินตาบาตจากชาวบ้านก็ได้แต่เข้าในโยกกลมา ก็เลยต้องเอาปลากระป๋องไอผักกระป๋องผักเค็มกระป๋องมาแล้วก็นมข้นนมข้นมากินเป็นของหวานเอาข้าวเหนียวจิ้มเพราะไม่มีข้าวเพราะชาวบ้านส่วนใหญ่เขาจะยากจนเ้าจะใส่ข้าวเหนียวหรือหอมกห่อเล็กเล็กหรือลาบก็จะเป็นลาบลาบหนูหรือลาบตุกแกอะไรอย่างเงี้ยชาวบ้านเขากินอย่างนั้นกัน ก็บางวันก็เลยต้องอาศัยของของที่เป็นของกระป๋องเนี่ยปลากระป๋องผสมกับไอ้ผักดองเนี่ยผักดองกระปอ๋องอก็อยู่ได้ลนะ่ะกินกับข้าวเหนียวแค่นี้ก็อยู่ได้ของหวานก็เอานมข้นมาใส่ก้นละใส่ถ้วยก้นนิดหยึ่จิ้มกินกัน <c oughs> ก็พออิ่มท้องก็อยู่ได้อันนี้ตามวัดป่าเขาถึงจะมักจะมีห้องเก็บของแต่ถ้าไปหยิบเองไม่ได้ของนี้ต้องให้ลูกศิษย์ มาทำถวายให้อีกทีนึงก่อนแต่จะเก็บไว้ได้นานถ้าพระเก็บไว้ใช้เองกินเองนี่ต้องถ้าเป็นอาหารนี้พอถึงหลังเที่ยงก็ต้องสละไปหมดไม่ให้เก็บข้ามคืนยั้นถ้าของที่ได้บิณฑบาตมาจะเป็นปลากระป๋อ ง, ปองเป็นเครื่องกระป๋อ ง, องข้าวสารเนี่ยตามหลักพระวินัยแล้วเก็บไว้ไม่ได้แนละ้วพอหลังเที่ยงนี้ต้องต้องสละไปหมดไม่ให้สะสมถ้าอยากให้เก็บต้องไปถวายเป็นของวัดไปเป็นของของส่วนรวมเป็น ของสังฆทานของสงฆ์แต่พระไปหยิบเองไม่ได้พระจะเอาต้องให้ลูกศิษย์ไปจัดการให้ทีนึงคำถามจากคุณเครอวันค่ะการโอนเงินหรือฝากเงินกัญยาณมิตรไปทำบุญจะได้บุญเหมือนเราทำด้วยตัวเราเองด้วยมือของเราเองไหมคะเพราะว่าอยู่ต่างจังหวัดไม่สามารถที่จะไปทำบุญด้วยตัวเองได้ค่ะได้ได้ บุญเกิดจากการที่เราได้เสียสละของที่เรารักไปของที่เราชอบเช่นเงินทองพอเราเสียสละไปใจเราจะรู้สึกสุขเนี่ยบุญเกิดขึ้นที่ใจเราเนี่ยพอเรารู้ว่าเราได้เสียเงินก้อนนี้ไปแล้วเราจะสุขแม้อาจจะไม่ถึงผู้รักก็ตามถ้าเราไม่ไปติดใจว่าจะต้องถึงคนนั้นถึงใครก็ช่างหัวมันมันขอให้มันไปจากเราแล้วก็เล่ากันเราเสียสละไปแล้ว เราก็ทําให้เราสุขใจแต่ถ้าเราไปผูกใจว่าจะต้องถึงคนนี้เดี๋ยวถ้าเกิดไม่ถึงคนนี้มันก็จะเสียใจขึ้นมาได้เน้นท mm ําบุญอย่าไปทําแบบไปผูกใจไปมีเงื่อนไขแล้วเดี๋ยวมันไม่เป็นไปตามเงื่อนไขแล้ว ม, ม, มันจะไม่ได้สุขใจ mm hmm. ทําบุญก็ถือว่าเราเสียสละของนี้ไปแล้วทําดีที่สุดแล้วถ้าถึงคนนี้ก็ดีไปถ้าไม่ถึงไปถึงอีกคนหนึ่งก็ถือว่าเป็นบุญของคนนั้นไปก็แล้วกันะ เราก็จะมีความสุขใจก็เป็นบุญขึ้นมาถ้าเราเสียใจถึงแม้ว่าไอา้ไอ้บุญของที่เราเสียไปเนี่ยเราก็ไม่ได้ความสุขใจเพราะเราไปเกิดกิเลสเกิดความอยากให้มันไปถึงอีกคนหนึ่งแต่จะถามว่าหายไปหนะรือเปล่าก็ไม่ไม่รู้หายจะหายไม่หายก็อยู่ที่ใจแล้วถ้าเราเปลี่ยนใจได้ว่าช่างมันไปแล้วถึงใครก็แล้วไปมันก็จะได้บุญกลับมา คำถามจากคุณสมทรงจิตวิญญาณต่างกันตรงไหนครับก็ตัวเดียวกันแต่ต่างสถานภาพเหมือนผู้หญิงเนี่ยเด็กหญิงนางสาวนางนี่ก็เป็นคนเดียวกันเยแต่ฐานะไม่เหมือนกันตอนเป็นเด็กก็เรียกว่าเด็กหญิงพอโตขึ้นมาหน่อยก็เรียกว่าเป็นนางสาวพอไปมีสามีก็เรียกว่านางจิตถ้าอยู่ที่ร่างกายก็เรียกว่าจิตพอออกจากร่างกายก็เรียกว่าวิญญาณ ดวงวิญญาณตัวเดียวกันตัวรู้ตัวคิดนี่ตัวเดียวกันคำถามจากคุณแมวเวลากวดน้ําจําเป็นต้องใช้น้ําใหม่คะผู้ร่วงรับไปแล้วจึงจะได้รับส่วนบุญที่เราอุทิศให้คะ่ะถ้ากวดน้ําก็ต้องมีน้ํนนาสินีเขาจะไปเขาจะไปเรียกววดน้ําทําไมแต่การอุทิศบุญ น, นี้ไม่ต้องใช้น้ําไม่ต้องกวดน้ําอุทิศบุญ น, นี้อุทิศในใจได้เลย แล้ลึกไปภายในใจขออุทิศส่วนบุญนี้ให้กับคนนั้นคนนี้ที่ล่วงรับไปแล้วถ้าท่านรอนรับอยู่ก็ขอให้รับสิ่งนี้ไปเลยอันนี้ก็ถือว่าได้อุทิศแล้วที่เขาให้กวดน้ําเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าบุญเป็นยังไงเขาก็เลยให้สมมุติว่าบุญนี้เป็นเหมือนน้ําที่เราจะส่งไปให้กับคนที่ล่วงรับไปแล้วเวลาเราเทน้ําออกจากที่เรากวดแล้วเราก็ว่าไปขออุทิศบุญส่วนนี้ส่วนนั้น เราไม่ต้องรอให้มาพระสวดใช่หไหมเรื่องของพระสวดกับเรื่องอุทิศบุญนี่ม่นคนละเรื่องกันแต่เขาจะมาชนกันจริงไม่เวลาอุทิศบุญไม่ต้องมีพระมาสวดอุทิศให้เราอุทิศเองเวลาพระสวดพระไม่ได้อุทิศพระเพียงแต่บอกสอนว่าการทําบุญนี้เราสามารถแบ่งบุญที่เราทํานี้ส่งไปให้กับผู้ที่ร่วงรับไปแล้วได้เราจะทําให้เรามีความสุขความเจริญจากการทําบุญของเรา อายุวันโนสุ ข, ขังพลังเนี่ยอันนี้ถ้าเป็นเพียงแต่สอนไม่เกี่ยวกันเวลาเราจะอุทิศบุญนี่เราอุทิศได้ทุกเวลานาทีโดยไม่ต้องมีพ้ามาตั้งยะถาสาพัพีไม่ต้องมีน้ำมากวดถ้าเราเข้าใจว่าบุญคืออะไรบุญก็คือความสุขใจอิ่มใจที่เราสามารถแบ่งให้กับดวงวิญญาณที่ไม่มีบุญได้ ส่งไปทางกระแสของความคิดเนี่ยความคิดของเรานี้เป็นเหมือนสัญญาณโทรศัพท์เนี่ยมันไปแล้วถ้าใครมีเครื่องรับก็รับได้เราคิดว่าวันนี้ขอแบ่งบุญอันนี้ให้กับคนนั้นคนนี้คนนั้นถ้าเขามีเครื่องรับต้องเป็นดวงวิญญาณถึงจะรับได้ถ้าเป็นคนคนก็จะปิดเครื่องรับอันนี้เพราะคนจะมาเปิดเครื่องรับทางร่างกายมารับรู้ทางร่างกายก็จะไม่รับรู้ทางวิญญาณแต่พวกที่วิญญาณนี้ก็ไม่มีร่างกายเขาจะรับรู้ทางวิญญาณ ถ้าเราส่งกระแสจิตไปนี่เขาก็จะรับรู้ได้ทันทีคําถามจากคุณอารก็กที่เขาจัดพธิธีแก้ปีชงแก้กรรมเรียนถามว่าถ้าต้องเสียเงินเพื่อเข้าพธิธีแก้ปีชงแก้กรรมแก้ได้จริงหรือไม่ครับหนึ่งปีชงก็ไม่มีหรอกไม่รู้สมมติกันขึ้นมางชงกันขึ้นมาเองปีนี้กับปีที่แล้วมันก็ปีเดียวกันมันมีเมือ่อกระแจ้งมีสามร้อยหกสิบห้าวันเหมือนกัน ดีชั่วมันไม่ได้อยู่ที่วันเดือนปีมันอยู่ที่การกระทำส่วนเหตุการณ์ต่างๆในโลกนี้มันก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยบางปีพายุก็มากบางปีพายุก็น้อยบางปีน้ำก็มากบางปีน้ำก็น้อยมันก็ขึ้นๆลงๆตามกฎของอ น, นิจจังไม่แน่นอนโลกมันหมุนไปมันก็เปลี่ยนไปตามเหตุตามเวลาเท่านั้นเองแล้วเราก็ไปว่ามันเป็นปีชงปีอะไรไป พอปีไหนมีพายุมากหน่อยก็เรียกว่าปีนี้ไม่ดีความจริงจะมีพายุกี่ลูกมันก็ไม่ได้ทำให้เราชั่วได้หรอกความชั่วไม่ได้อยู่ที่พายุไม่ได้อยู่ที่น้ำท่วมความชั่วมันอยู่ที่การกระทำของเราดังนั้นถ้าเราทำความดีไว้ต่อให้มันปีจะชงกีชงก็ช่างมันเถอะมันไม่เกี่ยวกันนะแล้วบาปที่เราทำไว้ก็ไปล้างมันไม่ได้ไปกบมันไม่ได้มันทาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องส่งผลไม่ช้าก็เร็ว มันขึ้นอยู่กับหลายเหตุปัจจัยด้วยกันถ้าทำบุญทำบาปน้อยกับบุญบาปก็ยังไม่มีกำลังบุญจะมีกำลังมากกว่าบุญก็จะส่งผลก่อนในเวลาตายไปถ้าบาปน้อยกับบุญเนี่ยบุญมากกว่าบาปบุญก็ดึงไปสวรรค์ก่อนยังดึงไปบาปไม่มีกำลังจะดึงไปอบายพอบาปกับบุญมีกำลังเท่ากันก็มาเกิดเป็นมนุษย์ก่อนแล้วก็มาทำบุญทำบาปใหม่ แล้วถ้าตายไปถ้าบุญกับบาปถ้าบุญยังมากกว่าบาปอยู่ก็ยังไม่ต้องไปใช้บาปแต่ถ้าบาปมากกว่าบุญเมื่อไหร่มันก็จะดึงเราไปใช้บาปในอบา ย, ยาทันทีนั่นมันไม่มีทางแก้หรอกทางแก้ก็คือทำบุญให้เยอะกว่าบาปไว้ก็แล้วกันจะได้รอลงอายาไปก่อน <laughs> มาอย่างนี้นแต่ยังเลาะแต่ถ้าไปทําผิดเมื่อไหร่ปั๊บถูกเนี่ยพวกที่เราลงอายานี้ถ้าอพอไปทําผิดอีกทีนี้จับเข้าคุกเลยคำถามจากคุณโลสผมถูกสอนมาตั้งแต่เด็กว่าการกราบพระให้กราบไม่แบมือหนึ่งครั้งแต่เห็นคนส่วนมากกราบพระสามครั้งแบบแบมืออยากทราบว่าแบบไหนถูกต้องครับ ตามหลักก็สวดเวลากราบพระนี่เรากราบพระรัตนนาฏัยกราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครั้งแรกก็กราบพระพุทธเจ้าครั้งที่สองก็กราบพระธรรมคําสอนครั้งที่สาก็กราบพระอริยสง์สารวงนั้นตามธรรมเนียมถ้ากราบพระไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์หรือพระพุทธรูปเราก็จะกราบสามครั้งด้วยกันแล้วไม่ใช่กราบเฉยๆกราบแล้วต้องน้อมจิตไปถึงตอนนี้เรานึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมคําสอน นึกถึงพระ อ, อริย ส, สงสาวกไม่ไม่ใช่กราบหนึ่งสองสามแล้วนุกกาบอะไรกราบเพื่อให้เราจะได้ไม่ลืมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะไม่มีอะไรที่จะมีคุณค่ามีประโยชน์กับชีวิตจิตใจของเราเท่ากับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าใจเราติดอยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะมีแต่สิ่งที่ดีเพราะเราจะลึกถึงคาสอนที่ดีของพระพุทธเจ้าเราจะนึกถึง การอยู่ที่ดีแบบพระพุทธเจ้าแบบพระอริยสงสาวกอยู่กันคําถามจากคุณตั้มขอกลับเรียนถามพระอาจารย์ค่ะขณะที่เราหลับก็รู้สึกตัวเช่นรับทราบว่าขณะนี้เราอยู่ท่าทางอาการอย่างไรหรือบางครั้งเมื่อฝันก็รู้ว่าฝันมีความรู้สึกตัวตลอดค่ะอาการเช่นนี้คืออะไรค ะ, ะอาการมีสติ คนบางคนเวลานอนหลับนี้สติอาจจะไม่หมดเนี่ยมีมีตกค้างอยู่ก็พอที่จะรับรู้อะไรได้บางทีฝันก็รู้ได้แต่พอตื่นขึ้นมาปับ๊บฝันมันก็อาจจะหายไปเพราะว่ามันมันมันเป็นเรื่องที่อ่อนที่เบามากพอมาตื่นปับ๊บมารับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายมันก็มากบไอ้ความฝันไปบางทีก็จำไม่ได้พอตื่นขึ้นมาปับ๊บหายไปแล้วนึกไม่ออกนะ คำถามจากคุณพีโกโยมมีคนรู้จักแต่มีความเห็นผิดเช่นพระฉันแล้วไม่ทำอะไรพระฉันมื้อเย็นก็เคยบอกให้ดูตัวอย่างพระดีถ้าบอกแล้วก็รู้จักคนที่รู้จักไม่ดีขึ้นต้องทำใจใช่ไหมครับก็นั่นแหละเป็นเรื่องของเขาเขาอยากจะมองอะไรตามเรื่องของเขาก็ปล่อยเขาว่าไปตามเรื่องของเขา หมดแล้วค่ะหมดแล้วนะคือโลกนี้มันก็มีของปนกันนะ่ะมีทั้งคนดีคนไม่ดีในทุกวงการแล้ว่าจะวงการไหนก็ตามมีดีมีไม่ดีปะปนกันไปถ้าเราจะไปเหมาพอเห็นคนนึงไม่ดีเราก็จะไปเหมาว่าองค์การนั้นไม่ดีไปหมดก็ไม่ได้จะไปว่าดีไปหมดก็ไม่ได้นอกจากวงการของพระอริยะเจ้าเท่านั้นนะที่จะมีแต่ดีอย่างเดียว ถ้าเป็นวงของพระ อ, อริยสงฆ์แท้นะของพระโสดาบันพระสกิฎาคามีพระ อ, อนาคามีพออระอรหันต์เนี่ยอันนี้จะเป็นแต่ของดีจริงๆไม่มีของไม่ดีปนอยู่ถ้ายังเป็นสมมุติสงฆ์อย่างพวกเราเนี่ยพวกพระที่มาบวชเนี่ยพวกนี้ยังไม่ได้เป็นพระ อ, อริยสงฆ์ยังเป็นปุถุชนใจก็ยังมีกิเลสอยู่ใจก็ยังสามารถที่จะ ถูกกิเลสหลอกให้ไปทำบาปได้หลอกให้ไปกินข้าวเย็ยนได้หลอกให้ไปเที่ยวได้หลอกให้ไปทำผิดศีลได้แต่ก็ไม่ได้เป็นพระทุกลูกที่จะเป็นอย่างนั้นนะพระที่พยายามที่จะรักษาศีลให้บริสุทธิ์ก็มีอยู่เวลาทำบุญกับพระถ้าอยากจะได้พระดีก็ต้องเลือกพระถ้าเราต้องการการที่จะได้พระดีก็เพื่อที่เราจะได้เรียนรู้สิ่งที่ดีจากท่านะ ถ้าเราไปทำบุญกับพระไม่ดีเราก็จะไม่ได้เรียนรู้สิ่งที่ดีเพราะพระที่ไม่ดีเขาไม่รู้ว่าสิ่งที่ดีเป็นยังไงเขาก็เลยไม่ได้ทำตัวเขาดีเขาทำตัวเขาไม่ดีอันนี้คือเหตุผลว่าทำไมเวลาทำบุญถ้าเราอยากจะเลือกต้องเลือกพระเลือกคนที่เลือกพระที่ดีเพราะเราจะได้เรียนรู้สิ่งที่ดีจากท่านแต่ถ้าเราทาบุญเพื่อให้ใจสบายนี่ทากับพระดีก็ได้ไม่ดีก็ได้ ทำกับโยมก็ได้ทำกับแมวกับสุนัขก็ได้เพราะทำแล้วมันทำให้เราสบายใจเหมือนกันปล่อยนกปล่อยปลาเราก็สบายใจเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวที่มันอดอยากนี่มันก็ทำให้เราสบายใจเห็นให้ใครก็ได้ที่เขาเดือดร้อนแล้วทำให้เขามีความสุขมันก็จะทำให้เรารู้สึกสบายใจขึ้นมาอันนี้ไม่ต้องเลือกที่อยู่ใกล้ที่ไหนทำที่นั่นเลย ทำกับพ่อกับแม่ก่อนเลยนะอยู่ใกล้ตัวเราอย่าปล่อยให้พ่อแม่อดอยากแล้วก็เดินทางไปไปถวายอาหารนันดีให้กับพระสงฆ์องค์เจ้าที่ไหนก็ไม่รู้ <c oughs> <c oughs> อันนี้ถ้าทําให้ความสบายใจนี้ทําใกล้ๆทําง่ายๆทายําที่สะดวกใคอยครอยู่ใกล้ใครเขาเดือดร้อนช่วยเหลือเขาได้ก็ช่วยเหลือไปอันนี้ก็ได้บุญคือได้ความสบายใจบุญแปลว่าความสบายใจอันนี้ ไม่อยู่ที่คนรับอยู่ที่ใจของเราอยู่ที่เห็นว่าเราได้ทําคุณทําประโยชน์ให้กับผู้อื่นส่วนถ้าเราอยากจะได้สิ่งที่ผู้รับจะให้เรานี้เราก็ต้องเลือกคนที่เขามีอะไรจะให้เราเหมือนเวลาเราไปเติมน้ํามันรถเนี่ยนอกจากเติมน้ํามันแล้วบางทีเราอยากจะได้ของแจกด้วยใช่ไหมบ า, บางปั๊มก็มีของแถมเนี่ยมีแจกผ้าแจกสบู่แจกยาซีฟันหรือแจกลอตเตอรี่หรืออะไรก็แล้วแต่ ถ้าเราอยากจะได้ของแจกแบบไหนเราก็ต้องเลือกปัม้มปั้มนี้เขาแจกกระดาษเราตเรามีพอแล้วเราก็ไม่เอาไปเอาปั้มที่แจกน้ำเดิมอะไรอย่างงี้ยอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้เป็นการทําบุญเพื่อไปรับของแจกจากผู้ที่เราไปทําบุญด้วยแต่เราอยากได้ธรรมะก็ต้องไปทําบุญกับพระที่เทศนี่ยถ้าไปทําบุญกับพระไม่เทศก็ไม่ได้ฟังธรรมใช่ไหม ไปทำบุญกับพระที่เขาไม่เที่ยาก็พอถวายสังฆทานทำของเสร็จเขก็นั่งโมทอ้เขาก็ให้พรญถาสัพพีเสร็จก็จบก็กลับบ้านกันก็ไม่ได้ของแถมอะไรบางวันก็บางคนชอบวัตถุมงคลก็ต้องไปทำกับพระที่แจกวัตถุมงคลแจกผ้ายานันแจกตะกุดแจกอะไรบางคนชอบหนังสือธรรมะก็ไปทำบุญกับพระที่แจกหนังสือธรรมะ อันนี้ก็ต้องเลือกเอาของแจกของพระมีไม่เหมือนกันก็ต้องเลือกพระแต่สิ่งที่เราสิ่งที่เราควรจะรับแจกจากพระมีอย่างเดียวก็คือธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนที่ที่กัดกรองมาด้วยการปฏิบัติแล้วจะจะได้คำสอนแบบนี้ต้องไปได้จากพระอริยสงฆ์ไปได้จากพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต ถ้าไปได้จากพระที่ยังไม่บรรลุเป็นพระอริยะนี่คําสอนยังไม่ได้เป็นคําสอนที่กั่นกรองอาจจะมีของปลอมของแปลกปลดเข้ามาได้ฟังแล้วอาจจะหลงทางได้อาจจะสับสนไม่เข้าใจได้นี่เกิดความแตกต่างในการทําบุญถ้าต้องการธรรมะก็ต้องเลือกพระ ถ้าไม่ต้องการธรรมเพียงแต่ต้องการความสบายใจก็ไม่ต้องเลือกขนเลือกใครก็ได้ใครอยู่ใกล้ใครเดือดร้อนก็ให้เขาไปเลยทำให้เขาไปเลยแม้แต่ขโมยมาขึ้นบ้านก็มองว่าเป็นการทำบุญไปก็ได้เออดีไม่ต้องขนไปที่วัดมีคนมาขนมารับที่บ้านไปเลยเราเราจะได้เราจะได้ของใหม่เมื่อเราทีวีเก่าไปเราจะได้เราจะได้ซื้อทีวีใหม่ถ้าเรามันของเก่ายังอยู่เราก็เสียดายเงินไม่กล้าซื้อของใหม่ นีพอของเก่ามันไม่มีก็จำเป็นต้องซื้อของใหม่ก็เลยได้ได้โอกาสซื้อของใหม่ได้ทําบุญด้วยขโมยมันก็จะได้เอาทีวีไปดูถ้าเรารู้จักคิดเราก็จะคิดว่าทุกอย่างเป็นการทําบุญไปอย่างวันนี้โยมก็เสียเงินเนี่ยแต่ไม่ไม่สุขไม่ทุกข์ใจนะเพราะตั้งใจจะเสียใช่ถ้าเกิดเอาเงินเกิดใครขโมยเงินก้อนนี้ไปก่อนเนี่ว่าทาบุญนี่เสียใจก่อใช่ แต่ถ้าเปลี่ยนใจได้คิดว่าก็ดีไม่ต้องมาวัดแล้วได้ทามุนตางสบายอยู่ที่บ้านแล้วก็ก็ได้ความสุขใจเหมือนกันนะนี่แหละคือความสุขใจคือการที่เราได้เสียสละสองที่เราลักไปให้คนอื่นไปความสุขใจจะมากน้อยอยู่ที่ของที่เราให้ถ้าของที่เราให้เราไม่ลักเราจะไม่รู้สึกสุขใจเท่าไหร่แต่ถ้าของที่เราให้เราลักนี่เวลาให้ไปได้โอ้มันสุขมากเนะ คนานึงบอกให้ให้ให้ของดีๆไงเพราะเราชอบของดีรักของดีเวลาให้ของดีคนอื่นไปเราจะมีความสุขใจมากกว่าให้ของไม่ดีไปของไม่ดีมันให้แล้วไม่รู้สึกอะไรเช่นของที่เราจะทิ้งเนี่ยให้ไปได้เราก็ไม่รู้สึกอะไรแต่ของที่เรารักเราห่วงนี่ถ้าให้ไปได้เนี่โอ้โหโล่งใจเบาใจสุขใจลองให้แฟนได้เสิลองยกแฟนให้ไปได้นี่โอ้ยเบาใจสบายใจไม่ต้องมาทุกข์กับแฟนอีกแล้ว ให้เขาไปเลยใคอยากจะได้ก็ยกไปเลยอันนี้ก็เป็นการทําบุญเหมือนกันเออว่ามาต่อแต่คุณลาวันค่ะเพื่อนฝากถามค่ะนั่งสมาธิไม่สงบเขาสูบกัญชาคลายความเครียดเป็นสาเหตุไหมคะมันเป็นเหตุแต่มันเป็นเหตุชั่วคราวมันสงบชั่วคราวแล้วเดี๋ยวพอมันพอมันลทิ์ยาหมดแล้วมันก็เครียดขึ้นมา มันอยากขึ้นมาวุ่นวายขึ้นมาแล้วถ้าไม่ได้สูบต่อก็จะทุกข์นี่ไม่ใช่เป็นวิธีที่จะทำใจให้สงบที่ไม่มีโทษทำแบบนี้มันเป็นเหมือนการติดยาเสพติดนี่นแหละกัญชาก็เป็นยาเสพติดมันทำให้เราหายเครียดชั่วคราวคนที่มีความเครียดเขาเดื่มสซลาเขาก็หายเครียดบางคนก็สูบบุหรี่ก็หายเครียดบางคนก็สูบกัญชาบางคนก็ทาอะไรหายหายเครียดแต่มันหายเดียวเดียวไง พอฤท้ิของยามันหมดไปความเครียดมันก็กลับมาใหม่แล้วถ้าเกิดไม่มียาให้เสร็จทีนี้ก็ยิ่งเครียดใหญ่เลยยิ่งเครียดสองเท่าสามเท่าแต่ถ้าเราใช้การนั่งสมาธิทําใจให้สงบได้มันไม่ต้องใช้อะไรแล้วต่อไปถ้าเราทําได้มันก็จะทําได้ไปเรื่อยๆแล้วจะไม่มีปัญหาไม่มีอะไรตามมาคาถามจากคุณชานิค่ะ ปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลตำแหน่งวิสัญญีต้องวางยาสลบให้แพทย์ผ่าตัดเพื่อนําอวัยวะไปช่วยเหลือคนป่วยที่รออวัยวะแต่ขณะผ่าตัดผู้ป่วยสมองตายแต่หัวใจเต้นอยู่ต้องทำการตัดเส้นเลือดไปเลี้ยงหัวใจเพื่อให้หัวใจหยุดเต้นกรณีนี้บาปไหมคะก็ให้มันหยุดเต้นก็บาปเลยมันก <c oughs> ็าตายมันหยุดเต้นมันก็ตาย พอใจอยุ่ใต้นเมื่อไหร่ก็ถือว่าตายคำถามจากคุณปัญจรัตทำอย่างไรเราถึงจะมีสมาธิในการเรียนหนังสือหรืออ่านหนังสือนานๆคะรู้สึกว่าตัวเองมีสมาธิแค่แป๊บๆยิ่งตั้งใจเท่าไหร่เหมือนยิ่งฟังหูซ้ายทะรุหูขวาคะ่ะก็ต้องมันฝึกสติไงเวลาที่เราไม่ต้องใช้ความคิดเช่นเวลาเราทางาน ที่เราไม่ต้องใช้ความคิดเช่นอาบน้ําอาบท่าล้างหน้าแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวก็ให้ฝึกสติในพุโทโธพุโทโธพุโทโธดึงใจให้อยู่อย่าให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าเราเรามีสติเวลานั่งอ่านหนังสือมันก็จะอยู่กับการอ่านหนังสือมันจะมีสมาธิในการอ่านหนังสือได้คําถามจากคุณทีมแม่ผมเสียไปตั้งนานแล้วทําไมทุกวันนี้ผมยังฝันเห็นอยู่ครับก็เราคิดถึงท่านเลย คิดถึงก็ฝันไปอันนี้ไม่ได้เป็นเพราะท่านเข้ามาหาเราเราเร า, เราคิดถึงท่านเองถ้าท่านเข้ามาหาเราต้องคุยกันได้ต้องคุยกันต้องถามสารทุกสุขดิบได้แล้วต้องมีอะไรมาเป็นเครื่องยืนยันให้เรารู้ว่าเป็นไม่ใช่เป็นความฝันเช่นแม่ก็อาจจะบอกว่าเอาของเก็บไว้ตรงนั้นไม่มีใครรู้แล้วถ้าเราไปพบตามที่แม่บอกแสดงว่าไม่ใช่เป็นความฝันแล้วแต่ถ้าฝันแบบไม่มีอะไรมายืนยัน ไม่รู้ว่าเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นความคิดของเราเองมากกว่าคําถามจากคุณตองมีวิธีไหนที่จะทําให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์บ้างคะก็เนี่ยวิธีสติเนี่ยพุโทโธพุโทโธไปแล้วหยุดคิดได้ความทุกข์ก็มันก็ต้องหยุดไปความคิดมันเกิดความทุกข์มันเกิดจากความคิดของเราถ้าเราหยุดคิดได้มันก็หยุดทุกข์ได้เวลาไม่สบายใจก็พุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวก็หาย เดี๋ยวก็ลืมเรื่องที่ทำให้เราทุกข์หมดแล้วค่ะหมดแล้วน ะ, ะเดี๋ยวเลยแคนาทีเดี๋ยวเรยให้คนที่กำลังพิมพ์ข้อความส่งเข้ามามีใครอยากถามให้ทางนี้ไม่รู้ว่ามีการไลฟ์สดด้วยค่ะเออมีทุกวันกลับไปบ้านอยู่ที่นาลาที่บ้านที่ไหนก็ดูได้บ่ายสองถึงบ่ายสี่มีอยู่สองช่อง YouTube กับเฟซบุออ วิทยุก็มีถ้าเข้าไปในเข้าไปในเว็บไซต์พระสุชาติ com <c oughs> ก็มีวิทยุให้ฟังได้ <c oughs> ถ้าถ้าเป็นเครื่องโทรศัพท์แบบไม่แรงแล้วก็เน็ตไม่แรงก็ใช้ฟังเอาจะง่ายกว่าถ้าเป็นถ้าพวก YouTube Facebook นี่มันเครื่องต้องต้องใหม่ต้องทันสมัยแต่ถ้าเป็นแบบของเก่านี่เข้าไปในเว็บไซต์ได้ก็ฟังได้ เดี๋ยวนี้ไปหลายทางทธรรมธัยายังมีอยู่เปล่าช่องลองเข้มบันถ่ออา อ, อยู่ทุกวันบางสถานีวิทยุเขาก็เอาเทปเอาซีดีไปเปิดเข้ามาอวค่<ฮ>ะจากคุณสิบแปดฝ่ามือพิชิตมังกระคะ่ะพรใดในโลกที่ว่าประเสริฐสุดครับมีไหมครับพระอาจารย์ มีก็อัตตาเหอุตโนนาโถนี่เป็นถอนที่ประเสริฐที่สุดถ้าเรามีอัตตาเหอุตโนนาโถแล้วเราต้องการแล้วเราได้หมดนะเพอาะสิ่งที่อันประเสริฐนี้ไม่มีใครให้กับเราได้นอกจากตัวเราเองถ้าพระพุทธเจ้าให้เราได้ปัจนนี้เราก็ไม่ต้องเราก็ไปเป็นไปนิพพานกันหมดแล้วนี่ <c oughs> มันให้ไม่ได้มันต้องใช้อัตตาเหอัตโนนาโถเท่านั้นถึงจะไปนิพพานได้ คำถามจากคำถามจากคุณเกดอารมณ์ว่างกับจิตว่างต่างกันอย่างไรคะก็อันเดียวกันแนะ่ะจิตว่างก็จิตไม่มีอารมณ์ไม่มีได้ก็ต้องพุทโธพุทโธต้องไม่คิดถ้าคิดแล้วอารมณ์ก็ตามนะคิดถึงเรื่องไม่ดีก็อารมณ์เสียคิดคิดถึงเรื่องดีก็อารมณ์ดีแต่ส่วนใหญ่มันชอบคิดแต่เรื่องเรื่องไม่ดี <S <S เรื่องดีคิดไม่เป็นกัน <c oughs> ตึงยิ่งให้หยุดคิดก่อน ตอนต้นสอนให้หยุดคิดก่อนแล้วพอหยุดคิดได้แล้วก็สอนให้มันคิดไปในทางที่ดีได้คิดแล้วไม่มีอารมณ์เสียคิดแล้วมีแต่อารมณ์ดีถ้าคิดว่าทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วมันจะอารมณ์ดีเพราะมันจะไม่ยึดไม่ติดนะมันรู้ว่าทุกอย่างไม่เที่ยงไม่ใช่ของเรามาตัวเป่าๆแล้วไปตัวเป่าๆให้คิดอย่างนี้แล้วมันจะได้ไม่คิดอยากจะได้นู่นอยากจะได้นี่ได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยวตายไปก็เอาไปไม่ได้อยู่ดี ให้คิดอย่างนี้ต่อไปมีคําถามจากคุณประหยัดค่ะอยากให้พระอาจารย์พิจารณาคําถามตัดเส้นเลือดหัวใจใหม่ครับเพราะเอาเอาไวยวะไปช่วยคนที่ไวัยวะเสื่อมครับก็นั่นแหละหัวใจมันยังเต้นอยู่แล้วไปทำ ม, มันหยุดเต้นมันก็ถือว่าทําให้มันตายไม่ใช่เหรอเหมือนคนที่หายใจอยู่เอาอะไรไปไปอุดจมูกเขาเน่ยแม่เขาหายใจเขาก็ตายสิใช่ไหมเขาก็ยังหายใจอ ย, อยู่เขาก็ยังไม่ตาย ถึงนม้ว่าอวัยวะสมองมันไม่ได้เป็นตัวกําหนดว่าตายแล้วไม่ตายตัวที่กําหนดตายไม่ตายก็หัวใจนี่แหละหัวใจไม่เต้นก็มันทุกอย่างก็จบมันหยุดทํางานถ้าสมองไม่ทํางานแต่หัวใจยังทํางานอยู่มันก็เพียงแต่อวัยวะบางส่วนมันไม่ทํางานเท่านั้นเองเราไปเราไปว่ามันตายแล้วเนี่ความโลภของกิเลสมันอยากจะได้อวัยวะของคนอื่นก็เลยคิดว่าเมื่อสมองไม่ทํางานก็ถือว่าตายแต่ตามหลักความจริงมันไม่ตายนี่ย หัวใจมันยังเต้นอยู่แล้วเราไปทําให้มันหยุดเต้นเพ่อเราจะได้เอาตับเอาไตาไปให้คนอื่นอย่างเงี้ยมันก็บาปเลใช่ไหมก็เราให้มันหยุดเต้นก่อนไม่ได้หรอให้มันหยุดเต้นของมันเองนี่กลัวไม่สดใช่ไหม <laughs> <laughs> เดี๋ยวเรไปใช้ไม่ได้ออเพราะไปหวังเอาเงินจากคนที่เข้ามาเอ่านั่นแหละมันความโลภมันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมันก็เลยทําให้เอ่อมองหาหา หาเหตุผลมาหลอกตัวเองว่าอตายแล้วธรรมะตายแล้วถือว่าตายแล้วความจริงไม่ตายหรอกมันต้องไม่หายใจไม่ต้องไม่หัวใจไม่เต้นอย่างนี้มันถึงจะจบจริงยังถ้าไปอยู่ดีๆหัวใจมันเต้นอยู่แล้วไปตัดสายเลือดที่ไปให้หล่อเลี้ยงหัวใจเมื่อไม่มีเลือดหล่อเลี้ยงหัวใจหัวใจมันก็หยุดเต้นนะี่ก็ทําให้มันตายไม่ได้ปล่อยให้มันตายโดยธรรมชาติของมันเอง มีอีกข้อหนึ่งข้อสุดท้ายคำถามจากคุณสายทำบุญเพราะอยากได้บุญถือเป็นกิเลสไหมคะมันก็จะว่าเป็นกิเลสก็ได้ไม่เป็นก็ได้แล้วแต่ว่าเราเรามีความรู้สึกยังไงถ้าทำบุญแล้วเราทุกข์นี่มันก็เป็นกิเลสถ้าทำแล้วไม่ทุกข์ก็ไม่เป็นกิเลสเนี่ยอย่าทำแล้วทุกข์ก็แล้วกัน ใครทำอะไรมันก็ต้องอยากได้อย่างนั้นใช่ไหมทำบุญก็อยากจะได้บุญอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาแต่ไม่อยากอย่าไปอยา ก, ยา ก, ยากจนกระทั่งเกิดมันทุกข์เพราะมันได้น้อยกว่าที่ที่อยากจะได้อย่างเงี้ยหรือทำแล้วคิดว่าไม่ได้ก็ทุกข์ขึ้นมาอย่างเงี้ยความจริงทำทำบุญแล้วมันได้บุญงแต่ละมันไม่รู้ว่าบุญอยู่ตรงไหนมันไปมองบุญอยู่ที่ว่าจะได้รางวัลจะได้คนคาชมเชยจากคนนั้นคนนี้เพราไม่ได้รับคาชมเชยก็เลยทุกข์ขึ้นมา ถ้าทำแบบนี้ก็ก็เป็นกิเลสแต่ถ้าทำบุญเพื่อความสุขใจอิ่ใจสบายใจอันนี้ทำไปมันก็จะอยากหรือไม่อยากมันก็ได้ผลเหมือนกันแต่ต้องอยากทำบุญก่อนถึงจะทำได้ถ้าไม่อยากจะทำบุญจะมาทำบุญเหรอใช่ไหมก่อเราต้องอยากทำก่อนเน้นความอยากที่เป็นกิเลสก็มีความอยากที่ไม่เป็นกิเลสก็มี ความอยากที paid, video, it, Gore, ่เป็นทำก็เป็นความอยากที่ดีเพราะพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เลือกความอยากนี้ให้เลือกความอยากที่เป็นกิเลสความอยากที่จะทำให้เราทุกข์เพราะว่ามันเราจะผิดหวังอยากแล้วไม่ได้ดังใจที่เราอยากมันก็จะทุกข์หรือได้มาแล้วเดี๋ยวต้องเสียไปมันก็จะทุกข์เนี่ยความอยากแบบนี้ไม่ให้ไปอยากให้อยากแบบที่ได้มาแล้วจะไม่เสียได้บุญมาแล้วจะไม่เสียไปจะอยู่กับเราไปแล้วไม่ได้บุญก็ไม่เสียใจ เว้าทำไม่ได้ทำบุญก็ไม่ได้รู้สึกเสียใจอะไรเองแต่เอาวันนี้ไม่ได้ทำเดี๋ยวรอไว้ทำพรุ่งนี้ก็ได้ใช่ไ้มอันนี้ฉะั้นความอยากมีทั้งที่เป็นกิเลสกับไม่เป็นกิเลสนะความอยากทำบุญความอยากนั่งสมาธิอยากรักษาศีลอยากไปนิพพานนี้ไม่เป็นกิเลสนะเป็นธรรมเพราะถ้าไม่อยากมันก็ไม่ไปเลยมันก็ไม่ทำเลอแต่ถ้าความอยากอยากเที่ยวอยากโตอยากใหญ่อยากรวยนี่มันเป็นกิเลสเพราะเดี๋ยวมันจะจบ รวยเท่าไรเดี๋ยวก็ตายพอตายก็ความรวยก็หมดไปความทุกข์ก็จะเข้ามาความเสียใจก็จะเข้ามานะอยากแบบนี้ไม่ดีอย่าไปทำอย่าไปอยากกับของที่ไม่เที่ยงอยากับของที่เที่ยงคืออยากกระทอยากกระบุญเนี่ยบุญนี้เป็นของเที่ยงเป็นของเราที่จะอยู่กับเราที่จะให้ความสุขกับเราของอย่างอื่นนี้ไม่เที่ยงไม่อยู่กับเราไม่เป็นของเราไปตลอดมันจะต้องให้เราทุกข์ต่อไปถึงไม่ให้ไปอยากแบบนี้ อย่าไปอยากกับลาบยศสรเสริญสุขทางตาหูจมูกนิ้นการเนี้ยของพวกนี้ไม่เที่ยงอยากเราจะต้องทุกข์เพราะมันจะต้องจ า, จากกันไปสักวันหนึ่งให้ไปอยากกับบุญอยากกับศีลอยากสมาธิอยากกับปัญญาอยากกับมรรคผลนิพพานอันนี้เป็นของเที่ยงจะอยู่กับเราไปตลอดเอาละเนี่ย ว, นะวันนี้ก็พอดีพอสมควรแก่เวลา